อาจารย์ครับการนมัสการครับผมจเจริญรอพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคระอาจรย์อาจาร ย, าารย์วันนี้มันพระคนไปใส่บาตรเดียอะไหมครับผมเยอะประมาณหกห้าร้อยหกสิบสี่คนแล้ว <Okay. S 2> ทางบ้านเนี่ยประมาณส oh. ี่ร้อยโอ้แต่ว่าที่ก็บาตงได้ค้าใส่ให้ครับผมพระอาจารย์เดินรอบเดียวได้หนึ่งพันคนได้ทําบุญครับอ่แล้วตอนบ่ายก็มีคนมาฟังที่โกติกับที่บ้านอีกประมาณพันกว่า ต้องทำเดี๋ยวเกินนี้ก็มีประมาณพันกว่าสองพันนะครับวันก็มีคนร่วมทํามน์ทั้งหมดก็สี่พันคนได้โอ้โหอาจารย์คุ้มคุ้มมาอาจารย์คุ้มเหนื่อยไปครับไไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอะไรยุคนี้มีเครื่องเครื่องพลผลกําลังผลอะไรได้เยอะครับอาจารย์ครับขอบคุณพระอาจารย์เมตตาครับผมวันนี้ก็เลย ตั้งหัวข้อเรื่องความตายบ้างครับอาจารย์เพราะว่าไม่ได้พูดเรื่องนี้มานานเวลาที่นึกถึงความตายทุกครั้งก็จะรู้สึกใจมันสบายขึ้นทุกครั้งครับพระอาจารย์ก็เลยกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ปัญญาเ ก, กี่ยวกับการนึกถึงความตายครับอาจารย์ครับกราบขอความเมตตาครับผมคือความตายมันก็จะไปทําลายความหลงความหลงก็คือความคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยเรื่อยเราลืมไหมอางทีเราลื ม, รรมคิดถึงมันีก็หถือเนก็ว่าเราร เราจะอยู่ไปเรื่อยๆ เ, เราไม่คิดถึงมันเราวางแผนอะไรเราก็ไม่เอาความตายมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนก็เหมือนกับว่าเราเลืมตายกันจำนวนตายมันก็ทาําไปตลอดโลกอยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วก็เครียดเวลาที่ไม่ได้ใ น, นเวลาได้แล้วสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปอย่างนี้สุนทนผู้บอกว่ามันทําลายความรับความความหลงได้เวลาเราคิดถึงความตาย เราคิดถึงความตายโอ้ยเราไม่รู้จะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะพรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้คืนนี้นอนดับแล้วอาจจะไม่ตื่นขึ้นมาก็ได้เีื่อนนี้มันก็เลยถามว่าแล้เราจะไปโลภกับอะไรมากมายกายกล่องทำไมตายไปแล้วก็อะไรไปไม่ได้มันก็คลายความโลภลงตายไปแล้วจะเอาเอาเงินไปได้ทั้งบาทนึงไหมมีเงินไปนร้อยน้านทางล้านแสนล้านเนี่ทิ้งไว้ให้ใคร เขาไปรู้ว่าใครก็เอาไปได้เขาก็เอาไปแล้วแต่เราม่เอาไม่ได้แล้วเพราะหมดลมหายใจแล้วก็หมดสิทธิ์แล้วมันจะคลายความโลภความห่วงใยความยึดติดความอะไรต่างๆได้เยอะความตณีอะไรต่างๆมันก็ทําให้ใจไม่เครียเนี่ยเพราะความโลภความยึดติดอุปทานความห่วงความห่วงใยนี่มนเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจ มีเงินจองเท่าภูเขาแต่ใจไม่มีความสุขใจกังวลคำนึงทรัพย์สินของตนคอยดูแต่ตลาดหุ้นคอยดูแต่ดอกเบี้ยหรืออะไรต่างๆดูการเคลื่อนไหวหทางเศรษฐกิจทางการบ้านการเมืองอะไรขยับไปในทางที่ไม่ดีหน่อยก็กตกใจอย่างว่าวัานนี้สองวันก่อนนี่ดาวโจน์ลงต้้งหกร้อยใช่ไหมกะ เศรษฐกิจไม่ดีการจ้างงานคนมันต่ำกว่าคาดไว้ถึเงินต่ากว่าคาดก็ทําให้ผู้ที่นักลงทุนทั้งหลาก็เริ่มขายหุ้นนะซื้อหุ้นมาเนี่ยเจ็งบริษัทเจ็งไม่มีคนงานไม่มีไม่มีงานให้ก็าทำาเนี่ยแต่ถ้าเรานึกถึงความตายแล้วบอกว่าเราก็ทําทําไปเพื่ออะไรทํานี่ทําไปก็เพื่ออยู่อยู่ไปวันวันเท่านั้นแหละพอมีเงินมีทาว พอกินพออยู่พอใช้ก็พอแล้วจะไม่เอาเอะไรมันก็ล่างไมันก็จะลดความรอดลดลดล ด, ลดเทดายของความรอดความอยากลงได้อยากจะลดความยึดติดต้องตรงเตรียมตัวตายก่อนนะว่าถึงเวลาไม่ช้ากันเดียวต้องตายแล้วทรัพย์สินสมบัติเงาของเองเนินทองต่างๆที่เป็นของเราในวันนี้ก็จะกลายเป็นของผู้อื่นไปแล้วถ้าคิดบ่อยๆมันก็จะทําทให้เราไม่กลัวตายขึ้นมา ยิ่งค <talk> ิดยิ่งยิ่งจําได้มันยิ่งยิ่งยอมรับใจมันยิ่งยอมรับไปเรื่อยๆอ่อมันต้องตายมันต้องตายนไม่มีทางเลือกไม่มีทางไม่มีทางหนีไม่มีทางหบบต้องตายรูปเดียวต้องตายรูปเดียวไปกลัวทำไมเราตายเป็นครั้งเดียวแต่เรากลัวตายเป็นรูปกี่หมื่นครั้งชาตินี้ก็เกิดมาแค่เรากลัวตายกันกี่ครั้งนะแต่เราตายจริงๆมันตายแค่แป๊บเดียวแค่ ถาวิว่งทเสี้ยววิ่ทางทีหนึ่งก็ตายตนะพอนมเข้าไม่นมไม่ออกมาก็ตายแล้วเราไปกลัวผู้กลัวความตายนำไมกลัวตายแล้วมันหยุดความตายได้หรือเปล่ามันก็หยุดไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องตายอยู่ดีถ้าคิดลึกไปก่อ น, นี้ก็คิดว่าร่างที่ตายมันเป็นใครคนที่กลัวกับคนที่ตายคนเดียวกันหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ไงคนที่ตายก็คือร่างกายคนที่กลัวก็คือธาตุรู้ก็คือใจ ถ้ารู้ไม่มีวันตายนั่งกายเป็นธาตุสีมันก็แยกทางกันไปธาตุสี่ที่ ม, มันรวมตัวเวลาร่างตายตายธาตุสีก็แยกออกจากกันถ้ารู้ก็แยกออกจากร่างกายไ ม, ไ ม, ม่ไม่มาเชื่อมต่อกับร่างกายไม่อ่าท่า น, นั้นเองแต่ถ้ารู้ตัวที่กลักวกลัวตายถ้าเป็นแทบตายก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายมีได้เห็นภาพอย่างนี้แล้วยังไม่กลัวตายอ่ะ ยิ่งเข้าใจเรื่องของการเวียนวายตายเกิดเข้าใจเรื่องของบุญของบาปของโนรกของสวรรค์มากขึ้นก็อาจะมาทําให้คิดถึงการทําบุญนะตายไป <c oughs> เราจะไปไหนต่อไปสวรรค์หรือไปอบายถ้าทําบาปก็ไปอบายถ้าทําบุญก็ไปสวรรค์งั้นเงินที่ทำอยู่นี้มาทําบุญไม่ดีกว่าเลยดีกว่าให้คนอื่นเขาไปถลุงใช้หามาแทบเป็นแทบตายอย่างคุณมูลเกศนี่เขาไม่ใช่เป็นชาวพูทแต่เขาฉลาด เขาตั้งมูลนิธิเงินส่วนใหญ่ของเราที่จะเข้าไปในมูลนิธิเพื่อเอาไปใช้ในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในทวีปแอฟริกาในประเทศที่ได้พัฒนาเขาทําบุญเอาเงินที่ของเขาเงินที่ทิ้งไวให้ลูกเขาทิ้งไาไม่กี่ล้านเหรียญนีสิบล้านไม่เท่าไหร่ปอยเขาอยู่ได้ก็พอไม่เดือดร้อนในเงินส่วนใหญ่ที่ก็มีเป็นหมื่นหมื่นล้าน เอาไปเข้ามือที่เอาไปทำประโยชน์ให้กับโลกต่อไปส่งข้อโลกนคนนี้แสดงว่าเป็นพุทธในใจถึงแม้เขาจะไม่ได้รับสันนิสฐานาพุทธแต่ก็เห็นคุณค่าของการทำบุญทำบุญแล้วเขาก็มีความสุขใจได้ช่วยเหลเพื่อมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยกันอันนี้แหละจะส่งให้เขาได้ไปสวรรค์อย่างแน่นอน ที่นความตายบ่อยๆเราจะไม่ค่เียดกัเรื่องเงินเรื่องทองเท่าไรเราจะไม่ตันหิไม่ห่วงถ้ามีแล้วกินแล้วใช้ก็เก็บไว้ทํำไมก็เอาไปทำความดีทำประโยชน์ดีกว่าจะทํำรูปแบบไหนก็ได้ทํากับองค์กรใดก็ได้ทำกับโรงเรียนทำกับโรงพยาบาลทำกับวัดทํากับประเทศชาติก็ได้มันอย่างที่หนูตาย้ไหะมอบเงินให้คังหลวงเลยมอบทองให้คังหลวง ทำให้แก่ประเทศชาติทำไปแล้วมันทำให้จิตใจเบาจิตใจอิ่มจิตใจมีความสุขโล่ก no. ันที่กอดเอาไว้หลุดจากมือเราไปแล้วสบายไม่ต้องมากังวลกับมันถ้ายังอยู่ในธนาคารก็กังวลอยู่ว่ามันจะอยู่หรือเปล่ามันจะหายหรือเปล่าธนาคารมันล่มไปเงินก้อนนี้ก็หายไปก็เอาไปฝากไว้ธนาคารให้ประเทศไทยเล ย, เยปลอดภัย <c oughs> <c oughs> ใลยเป็นสมบิของชาไป เปลี่ยนเป็นชื่อคนอื่นไปเลยนะครับอาจารย์เปลี่ยนไปชื่อประเทศชาไปเลยส uh. บายใจเป็นของประเทศชาติแล้วก็เป็นคนชนหนึ่งของประเทศชาติแล้วก็ได้รับประโยชน์จากประเทศชาติประเทศชาติมั่งขั่งแล้วก็มั่งขั่งตามประเทศชาติไปด้วยประเทศชาติเป็นหนี้แล้วก็เป็นหนี้ไปกับประเทศชาติด้วยงนนั้นพยายามนึกบ่อยๆพระเจ้าสอนให้นึกถึงความตายทุกวันอย่างสอนพรนสอนพระว่าให้เราเลิก มากให้ทุกลมหายใจเขาออกเลยได้ยิ่งดีเช่เธอหายใจเข้าแล้วถ้าเธอไม่หายใจออกเธอก็ตายถ้าเธอหายใจเขาา้าเธอหายใจออกแล้วเธอไม่หายใจเขา้าเธอก็ตายให้คิดอยู่แค่นี้แล้วมันจะไม่เลิมความตายตอนต้นพระเจ้าถามอนนท์วั น, ว น, นึ่งเธอคิดถึงความตายของวันกี่ครั้งอนนท์ก็บอกว่าสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระเจ้าบอกเธอยังประมาณ วิธีนี้จะทำให้เธอไม่ประมาทไม่หลงไม่เมื่ความตายก็คือต้องเราเึกถึงทุกลมหายใจก็ออกาพมันนลิกถึงความตายแบบนี้คือน่าประการทัศนกติของเราต่อชีวิตต่อโลกนี้จะเปลี่ยนไปเพ่งหน้า ม, มือเป็นห น, นังมือไปเนี่ยแทนที่จะคิดไปหาเงินหาทองอานจะมาคิดหาหาธรรมะแทนหาที่พึ่งทางใจหาธรรมะมาดับความทุกข์ใจดีกว่า ให้ตายยังไม่ทุกข์ให้ให้แก่ยังไม่ทุกข์ให้เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ทุกข์ดีกว่าเงินทําเก่าก็ระเก่าก็มาดับความทุกข์ในายามแก่ไม่ได้ในายามเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ในายามตายไม่ได้ดับความทุกข์ทางกายได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มียารักษาเลยไปแต่ ใ, ใจมันทุกข์นี่นมันทําดับไม่ได้นะ ครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับฟังเรื่องนี้แล้วเบาใจทุกครั้งเลยครับอาจารย์อาจารย์ครับแต่มีบางคนบอกว่าเวลานึดถึงความตายแล้วเขากลัอวอย่างนี้จะฝึกยังไงครับอเบืาา้องต้นก็สวดมนต์ไหว้พระไปก่อนให้ใจสงบในระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาคิดถึงความตายดูสวดบทที่ให้ให้สวดคือวันละนานรูษษ้สติเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดา เรามีการพัดพากจากการเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการแก่การเจ็บการตายการพัดภากจากกาันายไม่ได้ให้ส่วนนี้ไปก่อนก็ได้สวดไปถ้าระญาติในวันใจก็จะเบาจะเย็นลงก็าจจะนึกถึงความตายต่อถ้าใจยังไม่พร้อมนับก็ต้องฝึกฝึกสมาธิก่อนทําใจให้สงบในระดับที่สามารถนับได้ ในการส่วนนี้ก็ช่วยได้การนั่งสมาธิหลังจากนั่งสมาธิเสร็จก็ให้รลึกถึงความตายระลึกถึงบทเนี่ยมานานุสติขอบคุณพระอาจารย์ครับผมเอโอกาสถามคาถามจากท่านอื่นบ้างนะครับคุณแว่นครับถ้าเราซื้อกุ้งแม่น้ำเป็นๆแล้วนำมาฆ่าเพื่อทำอาหารไปถวายพระเราได้บุญหรือบาปมากกว่ากันครับ ได้ทั้งสองอย่างบาปก็ได้บุญก็ได้ที่อังไห น, นจะมากกว่ากันไม่รู้นกันแต่อย่าไปเสี่ยงดีกว่าทําบุญโดยที่ไม่มีบาปไม่ดีกว่าเลยไปซื้อกุ้งที่ตายแล้วมาทําบุญนี้ไม่มีบาปติดไปเลยมีแต่บุญนุนน้ย100อยเปอร์เซนเพราะเวลาตายบุญกับบาปมันจะเป็นมากตัวที่จะมบดึงดวงวิญญาณเราไปสวรรค์หรือไปอาบายถ้าบาปมันมีกาลังมากกว่าบุญมันก็จะดึงเราไปเกิดในอาบาย ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปเราก็ไปเกิดในสวรรค์การพยายามลดการทำบาปให้น้อยที่สุดจะ ก, การะทั่งไม่ทำได้ล้วยิ่งดีทำแต่บุญอย่างเดียวแล้วโอกาสที่จะตายแล้วไปสวรรค์นี่ถ้าจะรอยเปอร์เซ็นต์นะครับอกาสรอาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับใน t ิ k ตอกส่งคำถามเข้ามาใหม่ได้นะครับมันรีเฟรชไปแล้วนะครับมีคำถามบอกว่าดูแข่งกีฬาผิดศีลแปดไหมครับ ผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการบันเทิงเรื่องของการหาความสุขทางตาหูจะเบอกดิ้นกายทั้งต า, างหันหูดูธรรมะดีกว่านมาดูการสวดมนต์ทำตอนนี้ดีกว่าได้ประโยชน์มากกว่าธรรมะจะกล่อมใจให้เยน็นให้สงบให้สบายดูกีฬาบางนีก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาบางทีก็ไปโกรธโกรธนักกีฬาไปตรงกันข้ามกันีหไปโกรธเข้าไปเกลียดชอ้นักสิทั้งใจก็ร้อน บางทีกไปโกรธกรรมาการหาว่าตัดสินไม่ยุติธรรมอะไรต่างมันมีการไปสร้างระลอกให้สร้างความทุกข์ให้กับใจการดูสิ่งต่างๆทั้งโลกเนี่ยอย่าไปดูกันได้ดีกว่าเอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่าคุณดำครับในหนึ่งวันเราควรจะระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งครับ ก็อย่างพุทธเจ้าบอกว่าถ้าให้มากที่สุดก็ทุกลมหายใจเ ข, าข้าออกคิดถึงแต่ความตายตายตายตายไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็เอาเท่าที่เราจะทำได้ก็แล้วกันเราตั้งกาหนดเวลาไว้เหมือมนกับกินยาที่หมอให้กินบางอา3ามือแล้วก็กอนนอนก็สี่ครั้งเช้ากินข้าวเสร็จแล้วถึงตากินหนึแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะตายได้นะ แล้วกลางวันกินข้าวเสร็จอิ่มอ็นั่งถือความตายตอใหญ่เราจะคิดในทานนอนข้าวพอกินอิ่มแล้ววันนี้ลดตายเป็นมือหนึ่งนะคิดกับตรงข้ามเลยแหละครับรออถึงความตารย์ต้องคิดว่าเราคิดว่ากินอิ่มแล้วโอกาสที่จะกินมื้อเที่ยงอาจจะไม่มีก็ได้นะอาจจะตายก่อนมื้อเที่ยงก็ได้ เวลาที่ตายไปแล้วจะไปเจอคนที่เราลักไหมครับถ้าเราที่ฐานจิตอยากเจอคนที่เรารักครับคือเวลาที่เราตายไปเราอยู่ในโลกของความฝันน <c oughs> ถ้าเราเจอมันก็เป็นเป็นความฝันปรุงแต่งขึ้นมาเองเหมื <c oughs> อนดังตอนที่เรานอนหลับแล้วก็ฝันไปแล้วก็ฝันไปสถานที่ต่างๆไปเจอคนนั้นเจอคนนี้ก็มันเจอได้ก็ใจเป็นผู้ฝันเป็นผู้ปรุงแต่งเวลาเราตายบุญคือ กิจกรรมที่ดีที่เราได้ทํามันฝังอยู่ในใจเราก็อยา ก, กิจกรรมที่ดีมามาปรุงแต่งเป็นความฝันให้เราฝันแต่เรื่องดีๆฝันไปนทําบุญกับคนนั้นไปเที่ยวคนนี้เป็นไปได้แต่มันเป็นความฝันไม่ได้เป็นจริงจังจริงหรอกแต่ใ น, นความรู้สึกของเราเหมือนกับของจริงใช่ไห ม, มเวลาเรานอนหลับฝันไปเราคิดว่าเป็นเหตุการณ์จริงจะมารู้ทีหลังว่ามันเป็นความฝันก็ต่อเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้ว คุณนัดว่าลายพันธ์ครับสัตว์เมื่อตายแล้วต้องเวียนไหวาตายเกิดเหมือนมนุษย์แต่สัตว์ไม่สามารถปฏิบัติทําได้จึงต้องเกิดเป็นสัตว์ตลอดไปใช่ไหมครับเมื่อเราก็มีโอกาสที่จะใช้กรรมหมดได้กรรมมันมีวันหมดได้บาป ท, ที่ทํานี่มันมีวันหมดได้น่าจะเป็นสัตว์ก็อาจจะไปเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องทํทาทําบาปก็ได้สัตว์ที่กินกินหญ้ากินอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ต้องไปทําบา หรือซาบเป็นสัตว์ที่มีบวญเก่ามาด้วยก็อาจจะไปเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงให้เขาเลี้ยงให้ก็ได้เป็นเป็นหมาที่น่ารักนี้มีคนเราไปเลี้ยงรักยิ่งมากยิ่งกว่าลูกก็มีม ก, ก็เรียกว่าคนที่ไปเกิดเป็นหม้าน่ารักนี้เพราะว่าได้ทำบุญเยอะแต่ก็ได้ทําบาปมากกว่าที่บุญที่ได้ทําไว้บุญนี้อะไรทาให้ได้ไปมีเกิดเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาหน้ารักน่าเหน็ห น, า น, านดู แต่บาปเป็นตัวที่ทำให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเป็นสุนัขเป็นต้นแล้ก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากคนที่ก็มีความรักสัตว์เนี่ยเห็นเขากับยาวไปเลี้ยงบางทีเลี้ยงดีกว่าคนอีกใช่ไหมใช่บางคนเลี้ยงสัตว์ดีกว่าเลี้ยงเลี้ยงคนใช้ที่บ้านเนคนรับใช้กันยู่สัตว์เมันเตียงเลยมันนอนในห้องเลย นอนบนหัวอะไรครับป้าแต่พวกนี้ก็มีโอกาสที่จะหมดหมดบาปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะชาติทั้งชาติไม่ได้ทำบาปเลยมีคนคอยเลี้ยงดูตลอดเวลาการให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลมีอนิสง์ร้อยเท่าบริจาคผ้าหอศพจะมีอนิสงค์เท่าใดใครจะเป็นผู้รับครับเ ร, เราเป็นผู้รับบุญทั้งหมดที่เราทำนี่บุญมากบุญน้อยมัน มันมันมีสองบุญคือบุญที่ได้จากผู้ที่เราไปให้ทำบุญด้วยคือธรรมะส่วนใหญ่เราจะมองไปที่ธรรมะถ้าเราอยากได้ธรรมะเราก็เราไปทําบุญกับพระที่มีธรรมะพระที่มีธรรมะมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็อาจจะบรรลุขึ้นมาทันทีเลยอันนี้เป็นบุญที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยเป็นผลที่เราจะได้รับจากผู้ทําบุญที่เราไปทําบุญด้วย ส่วนบุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองของเราให้กับบุคคลนั้นๆมันก็มันก็ไม่ว่าจะให้ใครมันก็ได้บุญเท่ากันทําบุญกับพระ พ, พุทธเจ้าทําบุญกับสุนัขบุญที่ได้าจากการเสียสละแบ่งปันนี้ก็เท่ากันความสุขใจอิ่มใจที่เฉลยจากการได้เสียสละเงินทองก้อนนี้ไปให้เพื่อประโยชน์ของผู้รับเนี้จะเป็นใครเป็นผู้รับไม่ซ้ำกัน เงินบุญที่มันมีสองสองสองสองส่วนด้วยกันส่วนที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราและส่วนที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยอย่างถ้าเราทําบุญกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอเป็นแพทย์คุณหมอก็จะคุยเรื่องรักษาพยาบาลให้ฟังนะอาจจะปรึกษาว่าผมไม่ค่อยสบายเป็นอย่างนี้หมอว่าอ๋อมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้รับเป็นเป็นเป็นผลตอบแทนจากการที่เราได้ทําบุญกับหมอ คุณอัญชลีครับสอบถามพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งครับพระสามารถซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมครับพอดีงวดล่าสุดมีข่าวว่าพระถูกระงวัลที่หนึ่งครับคือตามหลักลพระไม่ไม่ควรที่จะเอาเงินไปซื้อของเรลานี้เพราะเงินตอนที่ย่างยมถวายนี่ก็กำกับไว้ว่าเป็นสมณะบริโภคเพื่อสมณะบริโภคสมณะบริโภคก็คืออะไรปัจจัยสี่อาหารมินบาจีวร ถ้ากุฏิซ่อมกุฏินวดกุฏิทำนวดเข้าไปซ่อมแซมถ้าป่วยไข้ก็ไปรักษาพยาบาลอันนี้คือเงินทำบุญถ้าไอกจากนั้นถ้าเหลือถ้าเหลือจากนั้นก็ไปทำบุญส่งข้อโลกได้อยู่เช่นหลวงตาเข้าไปส่งข้อโลกอย่างนี้นี่ครูบาอาจารย์มันสรางโรงพยาบาลตึกสิบชั้นเนี่ยออแต่ถ้าไม่ได้เอาเงินไปซื้ออัต์ลีย์ก็ครับ การไปซื้อลอตเอรีก็แสดงว่ามีความโลภมาบวชเพื่อรักความโลภแล้วเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่มันก็แสดงว่ามาบวชเสียเวลาบขัดกับเป้าหมายเจตนาของการบวชเวลาบวชคุณหมอจําได้ว่าเวลากล่าวคําว่าเอสร้างพันเตเนี่ยกล่าวเพื่ออะไรกล่าวเพื่อมาตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดกิเลสไม่ใช่มาส่งเสริมกิเลส ดังนั้นถึม้จะไม่มีไม่มีพระวินัยห้าไมไว้เพราะสมัยก่อนไม่ไม่มีตอตเตลีแต่โดยหลักการแล้วมันก็ไม่ควรข้อที่สองครับเจ้าหน้าที่เจ้าที่ที่ป ก, ปกปักคุ้มครองบ้านคือเทวดาใช่ไหมเจ้าที่คือเทวดาหรือเปล่าครับเป็นความเชื่อมีเรื่องไม่มีไม่มีใครรู้ข้อที่สามครับพรุ่งนี้เป็นวันเกิดเป็นปีแรกที่สามีจากไปกับทานหารไม่ทันได้ล่าลา พอถึงมันเกิดนึกถึงสิ่งต่างๆที่เขาเคยทําให้เสียใจแต่ก็ยอมรับอยากขอพอรจากพระอาจารย์ครับก็ทําบุญส่งบุญไปให้เขาได้เผื่อเขาตกยากไม่มีบุญเลี้ยงดูเขาเขาก็จะได้รับบุญของเราไปไปเลี้ยงดูตัวเขาเองได้อยู่อเห็นทุกครั้งที่เราคิดถึงคนตายสิ่งที่เราควรทากับคนเพื่อคนตายก็คือทําบุญแล้วก็อุทิศบุญที่เราทํานี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เราก็จะได้ทั้งความสุขเขาก็จะได้รับผู้รับก็จะได้รับความสุขเราได้ทําบุญแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาดวงวิญญาณที่ได้รับบุ ญ, ญอย่างเราเขาก็ได้ความรับความสุขเอาบุญนี้เป็นเป็นเครื่องหน่อเลี้ยงดวงวิญญาณเขาได้สอบถามว่าปฏิบัติสวดมนต์แล้วตอนนี้เพื่อนไม่มีแล้วครับจะต้องตั้งจิตอย่างไรครับ พระเาสอนว่าถ้าเราหาคนที man man ่มีท่าเราหรือดีกว่าเราไม่ได้ก็อยู่คนเดียวไปดีกว่าเพราะฉนั้าไปเจอคนที่เร็วกว่าเราเขาก็จะชวนเราให้เร็วตามเขาถ้าเขาชอบกินเหล้าเขาก็จะชวนเราไปกินเหล้าเมื่อเย้าคบเพื่อนที่กินเหล้ากว่าเรามชวนเราไปกินเหล้าเราไม่กินเหล้าเราอยากจะนั่งสมาธิแล้วคบเพื่อนที่เขาชอบนั่งสมาธิเสียงมีตั้งเยอะๆไปไปตามวัดดูสี มีศาสตร์ทำิกะเยอะแยะเนี่ยคนที่มาฟังเทศธรรมธรรมที่ที่กุติแล้วเนี่ยเข้ามารู้จักกันเยอะแยะไปหมดแล้วชวนกันไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่ไปทําบุญกนที่นั่นที่นี่แทนให้เราเลือกคบคนพระเจ้าบอกว่าถ้าหาคนคบคนที่ดีกว่าเราไม่ได้คนที่เก่งกว่าเราไม่ได้หรือคนที่ดีเท่าเราไม่ได้ก็อยู่คนเดียวไปดีกว่าไม่ขาดทุนถ้าจะอยู่แบบกําถ้าจะคบคนต้องคบแบบกําไรคบกับคนที่เขาดีกว่าเราเก่งกว่าเรา เขาจะได้เดึงเราไปได้คุณสิริการครับถ้าเราป่วยไม่อยากมีชีวิตอยู่มีความประสงค์ให้ช่วยใช้ยาค่อยๆผ่อนไปเป็นบาปไหมครับว่าถ้ามีเจตนาจต้องการจะให้นางกายตายไม่ควรทำปล่อยให้มันตายโดยธรรมชาติของมันไม่บาปแต่ถ้าเรามีเจตนาตัง้ตงใจแล้วทาให้มันตายนี่บาป มีเจตนาแล้วก็มีการกระทําที่ทําให้มันตายองค์ประกอบของบาปก็ครบสมบูรณ์ถ้าเราเจอเรื่องที่เลวร้ายกับชีวิตเกือบเอาชีวิตไม่รอดชีวิตเราจะพลิกมาดีได้อีกไหมครับไม่มีอะไรแน่นอนโลกโลานี้เราอยู่ภายใต้กฎอ น, นให้จำคือมีขึ้นมีลงแต่ว่าอย่างนั้นะเราก็มันอาจจะกลับขึ้นมาก็ไดไ้คนหลายคนที่เขาตกแล้วเ้ากลับขึ้นมาก็มี แล้วมันแน่นอนบางคนขึ้นแล้วกลลงมาต่ําก็ได้นี่คือกฎอันนีจ้จันทมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆที่มาทําให้ขึ้นลดลงได้ดังั้นถ้าเราอยู่ในโลกอันนี้เราต้องทําใจดีที่สุดทําใจก็คือยินดีตามใจตามเกิดขึ้นก็ได้ลงก็ได้เราก็จะไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเราต้องคิดว่าต้องขึ้นอย่างเดียวลงก็ต้องขึ้นขึ้นก็ต้องไม่ลงเดี๋ยวเกิดมันลงขึ้นมาจะต้องเกิดความเสียใจกับความทุกข์ใจ คุณวิไลครับถือศีลแปดสามารถที่จะออกกําลังในห้องน้ําได้หรือไม่ครับสามารถออกกําลังในห้องนอนก่อนนอนได้หรือไม่ครับได้การออกกําลังกายไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรออกกําลังกายได้เพียงแต่ว่าต้องให้มันเหมาะสมเท่านั้นเองถ้าเราออกไปวิ่งเต้นรำเต้นการนอกบ้านเนี่ยนุ่งใส่ชุดขาวออกไปวิ่งเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็อาจจะไม่เหมาะสมอะไรแต่การออกกําลังกายนี่ทําได้ภาพภาพเอกสูตรท่านก็ใช้การเดินจงกรมเป็นการออกกําลังกาย ในการเป็นธบรดาเป็นการออกกําลังกายหรือบางครั้งถ้าท่านอยู่ที่กุฏิท่านก็าจจะใช้นโยคะยืดเส้นยสายยืดท่าต่างๆที่ท่านอาจจะได้เรียนรู้จากคนนั้นคนนี้มาก็ใช้ได้ไม่เป็นอาเพียงแต่ต้องมีการลาดเทสให้มีความเหมาะสมไม่ใช่ไปทําในที่สาธารนณะพระนี้ต้องสำํำรวจเวลวอยู่ในที่สาธารนณะไม่ใช่ทาตัวเป็นเหมือนกับนิงเป็นข้าง คนธรรมดาสามารถที่จะสวดบทธรรมจักได้ไหมครับได้ใครก็จะสวดได้ถ้ามีมีสติพอที่จะควบคุมใจให้ให้สวดบทนั้นได้นิ่งสวดสวดโดยที่ไม่ไม่ต้องเปิดหนังสือด้าดังดีสวดถ้ามันจำได้แล้วมันก็จะช่วยทำให้เวลาที่จิตใจเรามีความเครียดความฟุ้งเราก็สวดบทนี้ไปสักพักหนีง่งมันก็หายเครียดหายฟุ้งได้คุณรัชนีครับ วันนี้โยมได้ไปนั่งสมาธิที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสองชั่วโมงพอเริ่มเกิดเวทนาโยมก็เปลี่ยนจากพุโทโธมาเป็นท่องว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บพอท่องทีๆความเจ็บหายไปแล้วก็ดิ่งวูบเลยแล้วก็ตกใจดีขึ้นมาพุโทโธใหม่อันนี้เป็นจิตรวมใช่ไหมครับภาวนาแบบนี้ช่วงเวทนาช่วงเวฒนาได้ใช่ไหมครับก็ทามาแล้วเนี่ยก็เห็นผลแล้วไม่ใช่ไหมก็ทาต่อไปดู เราคุมจิตไม่ได้ด่าดทอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับท่านทั้งหลายจะรู้ไหมครับว่าเราไม่ได้ตั้งใจมีความกลัวมากครับไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวเราเองนะไม่มีใครก็ามาสนใจกับความคิดของเรารแต่เราเนะี่ยตัวเป็นผู้รู้ต้องรู้แล้วควจะร ง, งับถ้าเป็นความคิดที่ไม่ดีเพราะความคิดไม่ดีมันจะทำให้พาไปการต่อการพูดและการกระทำที่ไม่ดีต่อไปได้ ซึ่งอ า, อาจจะสร้างความเสียหายให้กับผู้นั้นตนเองต่อไปงั้นถ้ารู้ว่าคิดอะไรไม่ดีก็ใช้สติยับยั้งไปหยุดคิดบอกตนเองหยุดคิดหยุดคิดคิดแบบนี้ไม่ดีคิดแบบนี้มันจะทําให้ให้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเมืองเป็นราวขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมาคุณเข็มจีลาครับไถ่ชีวิตสัตว์มีอา น, นิสงส์มากกว่าให้ทานสิ่งของไหมครับ ก็แล้วแต่คุณค่าของของสิ่งที่เราไปไปถ่ายว่าเขาเปคุณค่าราคาเท่าไหร่ถ้าเป็ดไก่ก็ตัวกี่น้อยล่ะก็เปรียบเทียบดูเปรียบเทียบถ้สมมติว่าไก่ตัวละสองร้อยเราเอาเงินไปซื้อของแล้วไปถวายแล้วเอาไปให้ใครในราคาเดียวกันก็ถือว่ามันก็ทํามุญได้ได้เท่ากันใช้ใช้ราคามาวัดดูเอาก็แล้วกัน เคยได้ยินว่าถ้าลูกดือ้อให้เขียนชื่อลูกในใบไม้แล้ววางไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปฝากพระดูแลอย่างนี้จริงไหมครับนัานเป็นควา ม, มงมงายเป็นความเชื่อไม่มีเหตุไม่มีผลลูกดือก็ต้องสอนไม่ใช่ปล่อยให้ดือ้อทางสอนถ้ามีมาตรการที่จะควบคุมเขาได้บังคับเขาได้ก็ใช้ไปแค่ไหนจะลงโทษเขาบ้างเช่นลดค่าขนมลงลดเวลาดูทีวีเล่นเกมลงอะไรเป็นต้น ให้เขาไดรู้ว่าการกระทําที่ไม่ดีนั้นมีโทษตามมาแต่ถ้าทำแล้วก็ยังดื้ออยู่ก็ต้องปล่อยต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาคุณน้ําครับคําว่าครูบากับพระอาจารย์มีความหมายเหมือนกันไหมครับ่านเดียวกันครูบาก็ครูทางอีสานก็ยังเรียกครูบาเวลาพระนี่เขาจะไม่เรียกพระนั่นพระนี่เขาจะเรียกครูบา คูบาสุชาติกูบาสมชายเรียกอย่างนี้ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียกครูบาอาจารย์ครับแล้วถ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ใหญ่เขาเรียกพ่อแม่ครูอาจารย์เพราะอาจารย์ใหญ่นี่ถือว่าเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งอาจารย์เพราะอยู่กับท่านท่านเลี้ยงเราเรป็นลูกอยู่กับน้องตาเนี่ท่านก็เป็นเหมือนพ่อแม่ของเราแล้วท่านก็เป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราด้วยแล้วก็เีกครูบาอาจารย์ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ อาจารย์ครับคูบานี่เหมือนกับตอนบวชเนี่ยเขาจะให้เรียกประมาณห้าถึงสิบพรรษาแรกอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เรียกคูบาคูบาถ้า<ช>ที่เข้าใจนะนั่นตั้งแต่พรรษาแราเลยตั้งแต่นในในบวชใหม่ก็เรียกคูคบาได้ครับบางทีท่านก็ใช้คําว่าท่านที่ว่าต่างๆบางทีหลตาพออูดถึงพระแล้วบางทีมักจะใช้ท่านท่านสมชาติท่านสมชายท่านอะไรว่าไปแต่หลัพานวด้วยกันครับมักจะว่าคูบาคูบานน่นคูบานี่ ทำนู่นนี่แต่ถ้ามีคนสามารถกว่าก็เรียกครูคบาอาจารย์ครูบาอาจารย์หรืออาจารย์อย่งองางนี้ในวาฒนรย์ก็ได้ถ้าเราตายไปแล้วอ๋อนี่นอันนี้มันถามไปแล้วครับคุณแม่ครับป่วยอยู่ในระยะประครับประคองเราควรจะบรรยายธรรมให้คุณแม่อย่างไรท่านไม่ชอบเสียงเทศจากมือถือครับก็ อ, อยู่ที่ว่าท่านต้องการจะฟังหรือเปลนะ่า ถ้าท่านเรียกร้องของฟั่งเราก็หาธรรมะมาอ่านก็ได้หนังสือธรรมะดีๆเช่นชุดเตรียมพร้อมขององค์ตาหามวยทําชุดเตรียมพร้อมอามาเปิดอ่านให้ท่านฟังก็ได้ถ้าท่านม่ชอบฟังเสียงธรรมแต่ถ้าชอบฟังเสียงเราหรือถ้าท่านอ่านได้ก็หนังสือธรรมะมาให้ท่านอ่านก็ได้แล้วแต่เรารู้ว่าท่านต้องการอะไรอันนี้เราไม่สามารถยัดเยียดให้กับท่านได้การยัดเยียดนี้มันไม่เกิดประโยชน์เพราะใจจะต่อต้าน จะไม่ยอมรับคุณช็อกโก้ครับชอบตักบาทวันไหนไม่เจอพระท่านเดินบิดาบาทจะใช้เงินหยอดเหรียญได้ไหมครับหยอดเหรนไปที่ไหนท่านรอดหยอดเหรนยญกระปุกแล้เก็บไว้เวลาไปวัดก็เอาไปนีไงก็ได้ขอให้มันเป็นงานที่เราสละไปได้ไม่ไม่ไปเอากลับมาใช้เลยก็แล้วกันจะเป็นเงินทําบุญ นั่งสมาธิพร้อมกับฟังธรรมะจะง่วงหลับครับแก้อย่างไงครับมันอยู่ที่ความง่วงนี่มันเกิดจากการที่บางทีเรากินอาหารไปใหม่ๆกินอิ่มท้องมันแน่นนะมันมักอยากจะอยากจะนอนงั้นเวลาจะฟังธรรมนี่ต้องให้ท้องมว่ า, เางเพราะฉะนั้นิยมถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเราควรจะถือสิบแปดกันนะ พอหลังจากที่ยวันไปแล้วมันก็ทองมันก็จะเบาลงเบาลงเวลานั่งสมาธิหรือนั่งฟังเทศธรําธรรมมันก็จะไม่งวอคุณวิไลครับมีวันหนึ่งเดินเจอมะนาวโห่ปลูกหน้าบ้านเจ้าของบ้านหลังบอกข้าพเจ้าว่าเก็บทานได้เลยหลังจากนั้นเจ็ดวันข้าพเจ้าไปเดินอีกและเก็บมะนาวโหโดยไม่ได้ขอจากเจ้าของถือว่าผิดศีลห้าหรือไม่ครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอนุญาตโดยไม่มีมีกําหนดวันหรือไม่ถ้าก็กําหนดว่ารายเฉพาะวันที่วันที่เขาพูดแล้วเราไปเอาเวลาอื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตก็ยังถือว่าผิดศีลได้อยก็ต้องถามก่อนถ้าเราไม่แน่ใจว่าพี่มนาวที่เก็บได้ตลอดหรือเปล่าประธานนั่นเองถ้าเราไม่แน่ใจก็ขออนุญาตเจ้าของก่อน มีหลานขโมยของเงินทองในครอบครัวโดยที่ไม่กล้าเตือนเพราะว่าแม่เขาเข้าข้างลูกอยากจะวางใจจากสิ่งนี้ทำอย่างไรครับก็คิดว่าเป็นการทำบุญทำนานไปก็แล้วกันเราก็จะ ส, สบายใจคุณนงรักษ์ครับสัพเพ ธ, ธรรมนาลังอภินิเวสายะขอบอาจารย์ช่วยอธิบายธรรมะข้อนี้ครับต้องขอไปจริงๆถ้ามาป า, าบาลีมา ถามอ น, นี่เราไม่ได้ศึกษามาทางนี้ต้องราศึกษาแต่เป็นภาษาไทายหรือภาษาอังกฤษแต่คำบาลีส่วนใหญ่ที่ที่เล่อๆนี้เราไม่เข้าใจในี่ลองเสิร์ชใน Google ดูก็ได้จะมีคำตอบรับประกันได้ใส่คานี้เข้าไปใน Google แล้วจะมีคำตอบมาอยากจะเรียนถามพ้าอาจารย์ว่านอนสดมนได้ไหมเพราะว่านั่งไม่ไหวครับถ้าไม่หลับก็ได้ ถ้าหลับมันก็เป็นญานอนหลับไปจะไม่ได้สมาธิแจะไม่ได้สติคุณสัตตะวันครับหากฟังบทสวดมนต์แทนการท่องได้ไหมครับเพราะไม่สะดวกจะสวดครับก็ได้เพียงแต่ว่าการท่องได้มันดีกว่าเพราะถ้าเราเกิดไปอยู่ในสภาพที่เราไม่มีการฟังฟังไม่ได้เราจะทำยังไงถ้าเราท่องได้เราก็ยังสามารถท่องได้ตลอดเวลาทุกแห่งทุกคนมีอะไรฟังหรือไม่มีอะไรฟังก็ไม่เป็นปัญหา อันก็ถ้าฟังมันก็ต้องอาศัยเครื่องเครื่องเครื่องอัดเสียงเครื่องแน่นใช่ไหมถึงจะฟังได้ถ้าเกิดแบตแบตเตอรี่หมดไม่ว่าเครื่องเสียเราก็จะไม่มีบทสวนมไม่ฟังแต่ถ้าเราส่วนยังหน้าเราก็สามารถส่วนได้ทุกเวลาที่เราต้องการพิจารณาความตายแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากทํางานเพราะเดี๋ยวก็ตายมีวิธีแก้ความคิดนี้อย่างนี้ไหมครับ นี่แล้วจะอะไรกินอนะ่ะถ้ายังไม่ตายเราจะอะไรกินอนะ่ะยังมีค่าน้ำค่าไฟมีค่าใช้จ่ายต้องจ่ายอยู่ถ้าเราภาวนาพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองและเพิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้ได้ไหมครับก็ดูผลเล ว, ว่ามันสงบไหมถ้าสงบก็ใช้ได้อยู่ที่มันเป็นอุบายวิธีของการปฏิบัติของแต่ละคนที่อาจจะต้อง ทดลองไปเรื่อยๆน้าแต่จะเจอแบบไหนที่เหมาะที่จะทำให้จิตนื่งสงบได้ก็ใช้วิธีนั้นไปเรียนถามพระอาจารย์เวลาที่จะสวดมนต์ตามบทสวดแล้วจิตยังติดอยู่กับเรื่องที่เข้ามากระทบจิตอยู่ครับเปานอย่างไรครับก็สวดไปเรื่อยๆยังไปสนใจแข่งกันไปมันจะคิดก็เราก็อยู่กับบทสวดวนไปอย่าหยุดสวดเพราะถ้าเราหยุดสวดมันก็จะกลับไปคิดกับเรื่องที่มันกําลังคิดอยู่อย่างเต็มที่ แต่ถ้ายังส่วนอยู่นอกที่มันคิดถ้าเราไม่เลยสนใจมันต่อไปมันก็อจาจจะหายไปได้คุณเข็มจีลาครับไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งได้ไหมครับเวัาไหนก็ได้การปฏิบัตินี้ไม่มีเวลามเวลาปดิบัติได้ทุงเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเรามีแต้มบุญมากน้อยเท่าไหร่แล้วครับ ส่วนหนึ่งก็ดูที่ความฝันของเราเลยเนะนอนหาเราฝันดีาฝันได้ถ้าเราฝันได้ก็แสดงว่าตั้งบาปมากกว่าตั้งบุญถ้าเราฝันดีบ่อยๆก็แสดงว่าตั้งบุญมากกว่าตั้งบาปคุณสุกันยาครับเคยได้ยินเมื่อธาตุขันจะแตกจะทรมานมากเมื่อถึงเวลานั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้ก่อนไม่ใช่ไปถึงเวลานั้นค่อยปฏิบัติ ก็คือต้องพยายามฝึกจิตให้สงบให้ปล่อยวางความเจ็บของร่างกายถ้าปล่อยวางได้แล้วความทรมานจะไม่มีในใจความเจ็บปวดของร่างกายก็จะเป็นส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความทรมานของใจเราสามารถกําจัดความทรมานของใจได้แต่ความเจ็บของร่างกายนี้เรากําจัดไม่ได้แต่มันไม่รุนแรถ้าเปรียบเทียบกาลังก็ม่หนึ่งต่อสิบมีความทรมานส่วนสิบเนสิบเท่าของ ของความเจ็บของงานกายพอเราทําใจให้สงบได้นิ่งได้ปล่อยวางได้ความเจ็บสิบสิ บ, สบที่เป็นอยู่ในใจก็หายไปเลอแต่ความเจ็บทางใจแค่เพียงแค่หนึ่งเท่าเนั้นเองเวลานั่งสมาธิรู้สึกหน้าผากตึงเหมือนมีอะไรเลื้อยอยู่เป็นเพราะอะไรครับออมันเรื่องของความปรุงแต่งของจิตไม่ต้องเป็กังวลจิตยังไม่สงบพยายาม หนเกียรแห่งมาอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่าไปตามอย่าไปสนใจอย่าไปให้ความสําคัญให้ให้ให้ความสําคัญอยู่กับการภาวนาแล้วมันจะเป็นการบริกรรมพุโทโธหรือเป็นการดูลมหายใจก็ให้ทําแต่สิ่งนี้สิ่งเดียวไปตลอดเวลาที่เราภาวนาคุณสัชชิรัตครับความตายทําให้เราหลุดพ้นจริงไหมครับก็หลุดพ้นจากน้สินตเมถ้าเราตายเมื่อไหร่นิสิตทั้งหมดับ โทษที่เราถูกจับคุกติดคุกติดตารางเขาจะพกดูพ้นแต่ไม่ไม่ดูดพนจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดยังต้องไปเกิดใหม่ต้องไเกิดไปแไกไปเจ็บไปตายใหม่อีกรอบหนึ่งอีกหลายหรอบถ้ายังยุติการเกิดไม่ได้อาจารย์ครับแล้วยังกรรมที่เรายัางติดหนี้เขาอยู่นี้มันยังติดอยู่ไหมครอออับอาจารย์ก็ติดอยู่ก็ไปตามไปพบหน้านชาติหน้าก็าาไปทวงต่อไป เวลานั่งสมาธิทํำยังไงถึงจะทําให้จิตรวมได้ง่ายครับต้องมีสติมากๆต้องฝึกสติก่อนมานั่งวิธีฝึกสติก็คือให้เราพุโทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆทําตั้งแต่เต่งขึ้นมาเลยพอเริมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ว่าเราจะทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าเราทำใช้ความคิดก็หยุดพุดโทโธชั่วคราวพอคิดเสร็จแเรวก็กลับมาพุโทโธต่อ ถ้าเรามีพุโทโธต่อเนื่องอย่างนี้เวลามานั่งสมาธิใจก็จะไม่ลอยไปลอยมาใจก็จะนิ่งอยู่กับพุโทโธแล้วมันก็จะสงบได้อย่างง่ายดายรวดเร็วคุณวรรธนาครับการตามข่าวต่างๆทั้งโลกถือว่าเรายังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมครับมันก็เราก็มีความโลภ เ, เราะรากังวลเรื่องการกินอยู่ของเราการอนัตภาพชีวิตของเราเพราะเหตการณ์ทางโลกมันจะมีคนกระทบอยู่ แสดงว่าเรายัางรับตัวพอตาอยู่ยังกังวลอยู่ยังห่วงใหญ่กับสถานภาพชีวิตของเราอยู่พระเกจิปลุกเสกถือว่าป ร, ราชิกจากความเป็นพระไหมครับไม่เป็นหรอกมันชิกต้องเป็นการไปเสพเมทูนเม่ัลเพศไปอุดรออุุอคุนพิเศษที่ไม่มีในตนหรือ ไ, ไปฆ่ามนุษย์ หรือไปรับทรัพย์ที่มีเงินทองตั้งแต่หนึ่งมาสกขึ้นไปซึ่งสมัยนี้ไม่ทราบเท่าไหร่ปุณสวรณีบอกว่าวันที่หกนี้ตรงกับวันเกิดขอหลวงพ่อเมตตาให้พรครับกรรมนั้นก็จะให้พรบรรยากาศมาเกิดอย่างเลยการเกิดไม่ดีเกิดน้ำมันทุกข์แต่ถ้าอยู่ก็ขอให้อยู่ไปา น, นานๆเพื่จะได้เอาเวลามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ยุติการเกิด สวดมนต์แล้วอุทิศบุญให้ลูกที่เสียไปเขาจะได้รับไหมครับคือบุญเวลาสวดมนต์นี่มันเทบุญมันยังไม่เกิดนะคือจิตยังไม่สงบจิตยังไม่รวมมันก็ยังไม่มีบุญที่จะไปอุทิศถ้าอยากจะอุทิศบุญให้ลูกก็ไปทําบุญด้วยการใส่บาตรถวายทานอย่างนี้บุญเกิดแนละ้วเพราะเราทําไปแล้วใจก็เกิดความสุขใจเห็นใจขึ้นมา คุณมาคสีครับขณะที่เราฟังธรรมเพื่อให้ได้ผลเราควรนั่งสมาธิฟังหรือลืมตาฟังธรรมครับนั่งหลับตาฟังก็ได้เพียงแต่ว่าใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์อย่าไปอย่าไปนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุโทโธให้นั่งแล้วก็เอาเอาเอ า, เอาเสียงธรรมนี่มาเป็นอารมณ์แทนพุโทโธมาแทนอารมณ์แทนลมหายใจเข้าออกก็ฟังได้สองแบบ ฟังแล้วเราคิดตามแล้วก็จะได้ปัญญาถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจคิดตามไม่ได้แต่เกาะเสียงไปเรื่อยเหมือนกับพุดโทหรือเกาะลมหมายใจใจก็จะได้ความสมบุบได้สมาธิการทางํทงตามนี้ได้ได้สองอย่างอย่างถ้าฟังด้วยความพิจารณาต่างก็จะได้ความเข้าอกเข้าใจได้สมาทิติได้ปัญญาแต่ถ้าฟังแล้วคิดไม่ได้คิดตามไม่ได้ก็าอาจจะลึกซึ้งกว่าเกินกว่ปัญญาที่เราจะเข้าถึงได้ เราก็ใช้เสียงธรรมนั้นมันตัวยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ลอยไปลอยมาใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ในระดับหนึ่งคือไม่ต้องไม่ถึงกับอัปปนาสมาธินะแต่ระดับที่มันเบาวกว่าตอนที่เราไม่ได้นั่งฟังแล้วให้ของญาติหรือคนในครอบครัวบ่อยๆแล้วเขามีความอยากได้เยอะขึ้นโลภมากขึ้นอย่างนี้คนที่ให้บาปไหมครับไม่บาปความโลภอยู่ที่ตัวรับ ฉะนั้นก็ต้อดูการละเทศะบางทีการให้อะไรก็รต้องดูว่าให้แล้วไปกระตุ้นกิเลสเขาหรือเปล่าถ้าให้เมื่อเเป็นการกระตุ้นกิเลสบางทีแล้วก็ไม่ควรให้กะไรให้แต่เฉพาะเวลาที่เขาเดือดร้อนจริงๆะให้มีเหตุมีผลได้มีมี ม, ม, ม, มีมีเหตุการณ์ที่คนที่จะให้เช่นเขาตกทุกข์ได้ยากอะก็ให้ข้าวเข้าไปซื้อข้าวให้เขาซื้อของให้เขาของใช้ไม่สอยปัจจัยสี่อะไรต่างๆเหล่านี้ แตถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เขทุกข์ยากนักนอยก็อย่าไปให้เาัาคุณปาริชาติครับบอกว่าหลังจากฟังพระอาจารย์มาเกือบจะสามปีหนูพัฒนาขึ้นมากวันก่อนหนูเจอมิจฉาชีพหลอกขายของออนไลน์โอนเงินไปแล้วของเงียบปิดเกี่ยวกันติดต่อตกใจอยู่แป๊บหนึง่งคิดว่าจะแจ้งความแต่แล้ววิเคราะห์ดูเออก็เราก็รีบร้อนไม่ไต่ตองเห็นของอยากได้ก็ไม่ได้ตรวจบัญชีคนขายให้ดีเขาไม่ได้มายัดเยียดเราซื้อเสียหน่อย คิดได้ก็เลยปล่อยไปเลยค่ะไม่ติดใจโกรธเลยสักนิดเดียวแบบนี้ถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ใช่ถ้าไม่โกรธไม่ชกก็ถูกต้องนะเสียอะไรก็เสียไปแต่เนี่ยเสียสองก็อย่าเสียสองเด้งเสียเงินเท่านั้นอย่ามาเสียใจเสียเด้งเดียวเพราะเสียเงินนี่บางทีเราควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่การเสียใจนี่เราควบคุมบังคับได้เนเราก็อย่ามาเสียใจเสียอะไรก็เสียไปเสียเดงเดียวอย่าไปเสียสองเด้ง การสวดมนต์ทุกวันมีผลกับชีวิตไหมครับถ้าสวดมามีสติก็จะทำเวลามีสติดีขึ้นแเวลาทําอะไรก็จะมีเกิดการผิดพลาดน้อยลงยิ่งมีสติมากเท่าไหร่การผิดพลาดก็จะน้อยลงแล้วการเรียนรู้รอะไรต่างๆก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นนั้นเวลาไม่มีสตินี้ทำอะไรก็มักจะผิดพลาดฟังอะไรบางทีก็ไม่เข้าใจเพราะไม่มีสติตั้งใจฟังพอ การผวดมนนี่ก็เป็นการฝึกสติอย่างนแล้วก็จะทำให้ใจสงบมากขึ้นด้วยคุณชิโ น, โนครับผมเห็นสมาธิอยู่สองระดับคือเห็นกายกับจิตแยกกันรู้ว่ากายเจ็บแต่ใจก็ไม่ได้ทุกข์รู้ไปเฉยๆอีกระดับคือไม่เห็นไม่คิดอะไรเลยเหมือนหลับตาในความฝันพอออกจากสมาธิถึงรู้ว่าอ๋อเป็นฌานแบบนี้อย่างนี้ถูกไหครับอาจารย์ คือต้องมีสตินะตอนที่ตอนที่จิตแยกออกจากร่างกายแบไม่รับรู้ร่างกายเลยต้องมีตัวรู้ปรากฏเงียนอย่างชัดว่าอันนี้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวโดยที่รู้ว่าจิตกับร่างกายไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะในช่วงนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นฌานก็ได้ขอพระอาจารย์แนะนําการจัดการกับจิตที่ฟุ้งซ่านการอ่านหนังสือการสวดมนต์สติฟุ้งไปทางอื่นครับ ว่ามันฝึกสติเนี่ยแหละสติเป็นตัวที่ยังรับความฟุ้งซ่านต่างๆได้วิธีง่ายที่จะดก็ให้เราเริพุทโธตั้งแต่เริ่มตาขึ้นมาเลยเรินตาก็พุโทโธพุโทโธไปทำกิจส่วนตัวอาบน้ำน้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปเร่ยๆอย่างนี้แล้วความฟุ้งซ่านก็จะเดขึ้นได้าถ้ามีสติคอยกำกับใจคุณเข็มจีลาครับ จิตนะขณะร่างกายปกติดีกับจิตนะเวลาที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวดที่มันรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกทรมานคือจิตอันเดียวกันไหมครับก็จิตอันเดียวกันนะแต่มีปฏิกิริยาที่ต่างกันเวลาจิตเวลาร่างกายเป็นปกติจิตก็จะไม่มีกิเลสจะรู้สึกจะเฉยเฉยแต่พาะกาดความเจ็บปวดขึ้นมากิเลสก็คือตัววิภาวัตถาคือความอยากให้ความเจ็บปวดของร่างกายหายไป มันก็เลมาสร้างความตึงเครียสร้างความทุกข์ให้กับจิตอย่างเช่นวันนี้เราต้องสวดมนต์แต่เราฟังธรรมะพระอาจารย์เทศอย่างนี้แทนเราได้บุญไหมครับคือมันบุญนี่มันพูดยากนะเพราะว่าบุญก็คือความความสุขที่ได้จากความสงบของใจซึ่งบางทีฟังเทศฟังธรรมบางอาจจะได้บุญก็ได้อาจจะไม่ได้บุญก็ได้อันนี้พูดพูดยาก แล้วแต่ละคนว่าฟังแล้วสงบหรือไม่สงบถ้าฟังแล้วสงบมันก็ได้บุญมาสงบแตระดับไหนก็บุญในระดับนั้นบุญก็มีหลายระดับความสงบมันก็มีหลายระดับอขึ้นอยู่กับว่าเราได้ความสงบมากน้อยเพียงไหรเราก็จะได้บุญคุณจันทวันโนครับการที่ได้โสดาปติมัค ถ้าเกิดตายไปแล้วผลจะได้เช่นใดครับถ้ายังไม่ได้ผลก็ยังต้องปฏิบัติต่อไปถ้ายังละสังยนไม่ละเพลงแต่เริ่งพิจารณาขันห้าว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนิจจ์เป็นทุกข์แต่ยังละไม่ได้กไ็ไปไปไปไ ป, ไ ป, ปฏิบัติต่อขาหนห้าก็ไปเจริญสวดปฏิญญาต่อได้ผมนั่งสมาธิแล้วเปิดเพลงประเภทฮีลิ่งเมดิเทชันมิวสิกเบา พอได้ยินมีข้อห้ามหรือมีประโยชน์ไหมครับคือสมัยก่อนไม่มีข้อเหล่านี้ได้อย่างหนึ่งถือว่าถ้าเป็นดนตรีมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์มันเป็ น, นการกระจายปุกการมร า, าคะให้เกิดขึ้นการมารมงให้เกิดขึ้นนั้นก็ไม่นิยมใช้เสียงใช้ดนตรีใช้อะไรบ้าใช้สติเพียงอย่างเดียวในการทำให้ทําจิตให้สงบคุณแรดครับ โ อ, อกาสครับได้ทราบว่าท่านผู้จบพรหมจรรย์ใหม่ๆคล้ายฟืนที่ไฟเพิ่งดับยังมีไอความร้อนอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปค่อยขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยจึงเย็นสนิทได้ยินกรารยาณมิตรท่านเทศสอนเล่าเรื่องราวในวัดท่านว่าบางคนหมายถึงลูกศิษย์ในวัดที่จบกิจแล้วแต่ยังคับแคบอยู่ทําให้การทํางานร่วมกันมีปัญหาเรื่องพวกนี้หนูไม่เคยได้ยินมาก่อนมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับเมื่อก่อนหนูเคยเข้าใจว่าผู้จบพรหมจรรย์แล้วเลิกทุกอย่างไม่ต้องขัดเกลารอะไรอีก ก็ไม่รู้เมอนกันอันนี้ก็ไม่น้องไม่สนใจมาให้เราทําตัวเราให้มันหมดจดเป็นอะไรกันแล้วจะได้รู้ในใจของเราเป็นอย่างไรเรื่องของคนอื่นพูดนี่ก็พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ฟังหูไว้าหูเจนการเราจะพิสูจน์ได้จากตัวเราเองว่ามันเป็นจริงหรือไม่ตามที่เขาพูดหรือไม่ถ้ายังให้พิสูจน์ไม่ได้ก็ฟังหูว่าหูไม่เชื่อแต่ไม่ปฏิเสธรับรับฟังรับรู้ไป การที่เราเลี้ยงหมาจอนแมวจรอย่างนี้ถือว่าเป็นการชดใช้เวรกรรมต่อกันหรือเปล่าครับมันก็ไม่แน่าเขาไม่เวรกรรมกับเราหรือเปล่านะดาจจะเป็นการทําบุญทําทานสร้างทานบารมีของเราก็ได้โดยถ้าอาจจะเขาอาจจะครเป็นหนี้เขาก็อาจจะเขาอาจจะเคยเลียงเรามา่อก่อนชาติก่อนเราเคยเป็นแมวเป็นหมาแล้วก็เป็นคนเขาเคยเลี้ยงเราพอชาตินี้เรามาเจอเขาเขาเป็นแมวเป็นหมาเลาเคาเป็นคนแล้วก็ ทำไปก็ได้แต่เราไม่รู้หรอกถ้าเราไม่มีญาณอย่างทราบถ้าเราเรารื้ชาติไม่ได้เราก็จะไม่รู้ก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกังวลทําไปทําบุญไปเราทาเพื่อใช้เวรใช้กรรมก็ได้จะทําไปเพื่อสร้างบารมีก็ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหะคุณเลวะดีครับถ้าเราไม่เคยปฏิบัติทำเลยในชีวิตเราจะสามารถหลุดพ้นได้ไหมครับถ้าให้เลือกทําบุญหรือทําความดี บุญหรือการกระทําแบบไหนมีประโยชน์ที่สุดครับประโยชน์มันก็มีเป็นขั้นๆการทําบุญทาทานมันก็ได้ประโยชน์ขั้นหนึ่งถ้าอยากจะได้ประโยชน์สูงกว่านี้ก็ต้องรักษาศีลถ้าอยากจะได้ประโยชน์มากกว่า น, นี้ก็ต้องฝึกสมาธิถ้าอยากจะได้สูงกว่า น, นี้ก็ต้องเจริญปัญญาหรือนรู้ตั้งปัญญาบุญมันมีหลายขั้นเนี่ยครับ ถ้าอยากหลุดพ้นี่มันต้องทําทุกขัน้นทำตั่นแต่ทําบุญทําทานนักษาศีลนั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญามันถึองจะหลุดพ้นได้ไม่ใช่เลือกให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะหลุดพน้นเป็นไปไม่ได้หากเราทําบุญเป็นปัจจัยถวายพระไปแล้วอธิษฐานจิตถวายแต่ไม่ได้เขียนใบปรารณาเราได้บุญไหมครับได้ เราให้ถวายเงินทองไปแล้วก็เชื่อว่าจบตลอวไปวการระลึกถึงความตายหลายครั้งเป็นวิธีหนึ่งในหลายวิธีที่จะช่วยให้ลดมานะในตัวใน ต, ใ น, ตนได้มากขึ้นใช่ไหมครับใช่เมื่อเราเราจะตายเราจะไปอวดเก่งอวดนีทำไมจะไปถือเนื้อถือตัวทำไมเดี๋ยวเรา ก, กลายเป็นซากศพน้องหมาเสียกรทันหันตอนนี้ยังทําใจไม่ได้ค่ะ มีวิธีปล่อยวางได้ไหมครับก็อย่าไปคิดถึงน้องหมาอย่าไปคิดถึงเขาเมื่คิดถึงเขาก็คิดถึงพุทโธแทนคิดถึงพุทโธพุทโธไปต่อไปเราก็จะหยุดคิดถึงเขาแล้วเราก็ยังอยู่ความเศร้าโศกเสียใจได้คุณเต่าแคร์ครับคําว่าตายแล้วเกิดทันทีจริงไหมครับคือดวงวิญญาณนี่มันเกิดทันทีจากมนุษย์มันก็ไปเป็นเทพเป็นพมเป็น อะไรตามที่ตามบุญตามบาปที่ทําไว้และการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครัจะต้องใช้เวลาก่อน <c oughs> ไม่ได้กลับมาเกิดทันทีอาจจะต้องไปรับผลบุญก่อนรับผลบาปก่อนถึงจะค่อยมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปได้ <c oughs> ทําผิดพลาดครับชอโกงบริษัททุกใจมากเลยไม่กล้าคุยกับพ่อแม่เลยจะวางใจเรื่องนี้อย่างไรครับก็ไปสารภาพบาปสิ อาพาธแล้วก็ชวใช้เงินเา่าที่เอาไปโกงเข้ามาคุณซีครับถ้าเราอยากทําให้คนที่รักทั้งๆ ท, ที่เราเจตนานดีแต่ทําให้อีกฝ่ายเขารําคาญด่าว่าเราไม่ต้องการสิ่งที่เราทําให้แบบนี้เราได้บุญไหมครับและทําให้เขามีบาปเพิ่มไหมครับที่ทําให้เราเสียใจายจากการด่าว่าเราครับไม่ได้บุญหรอกถ้าไปทําให้เขาทุกข์เนี่ยถ้ า, าไปทำมเนก็ทุกข์ก็หยุดเสียดีกว่า แล้วตทำให้เขาสุขถึงขึ้นงจได้บนคุณศสนาวุฒิครับร่างกายป่วยไม่สบายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ไปกับร่างกายและจะทำยังไงถึงจะปล่อยวางร่างกายได้ครับก็ต้องฝึกฝึกสตินั่งสมาธิเวลาจิตสงบแล้วก็เอาเวลาเอาจากสมาธิมาก็สอนจิตว่านั่งกายต้องป่วยต้องต้องตายเป็นธรรมดา สอไปให้จิตยอมรับความจริงันนี้ได้แล้วต่อไปเวลาเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาก็จะไม่ทรมาพอะยอมรับไม่ผืนความจริงเราใส่บาตรตอนเช้าเสร็จใส่เสร็จบุญนี้อุทิศให้กับพ่อแม่แล้วบุญยังเหลือให้ตัวเราเองไหมครับเหลืออยู่อุทิศไปส่วนหนึ่งอีกส่วนนึ่งก็เก็บไว้เป็นของเนำ คุณพิชพรครับถ้าเราฉีดน้ำยาป้องกันปลวกที่บ้านผิดศีลข้อหนึ่งไหมครับถ้าไม่ไปถูกตัวปลวกไม่ได้ทาให้เขาตายก็ไม่ผิดศีลอาการแบบนี้คืออะไรครับสวดมนต์บ่อยๆและบางคืนหากมีฝันร้ายจิตสวดมนต์เองทำให้ออกจากฝันร้ายได้โดยอัตโนมัติครับก็เป็นการฝึกจิตไว้วฝึกจิตถึงเวลา น, นอนหลับจิตที่เคยฝึกมันก็อาจจะทาหน้าที่ตามที่เคยฝึกไว้ คุณนลกรครับอยากให้พระอาจารย์อ ธ, ธิบายขยายความว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจด้วยครับคือกลัวว่าจะทําให้ใจเราเศร้าหมองไหมครับไม่เศร้ามันอาจะทําให้ใจเราเบิกบานใช่ไหมค ร, รับ้อยเราปลมได้วังได้ปล่อยวางอุปทานยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราได้เพราะร่างกายในวันหนึ่งเราก็ต้องจากแยกออกจากกันเราก็จะไม่รักไม่โวยไม่โหวง่างกายนี้ พอไม่าักไม่ ห, งมหวงใจก็สบายเบาเบาใจขึ้นะมาที่หนักอกหนักใจที่เศร้าก็เพราะไม่อยากให้มันตายไม่อยากจะแยกออกจากกันอยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานครับขอคําแนะนําด้วยครับก็ต้องใช้ความเพียรพยายามคุณเจ้าบอกจะสําเร็จหน้าที่การงานทั้งโลกาและทั้งทำต้องมีอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่คืออะไรหนึ่งชันท่า อวามินดกกีกับการทําหน้าที่การงานของเราสองวิทยะมีความภาคเพลในการทํางานทําหน้าที่ของเราสามจิตตะใจเราจดจ่ออยู่กับการทํางานเพียงอย่างเดียวสี่มีมังสาจิตเราแค่ควรคิดแต่เรื่องงานไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าเรามีสี่อย่างนีน้แล้วทนอะไรมันก็มักจะเกิดผลสําเร็จได้ดยกเว้นว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่มันบัจจัยที่เหนือเหนือวิสัย ไม่ได้ก็ไม่เกิดก็ได้แต่ถ้าไม่มีไม่มีเหตุปัจจัยอย่างอื่นนั่งก็จะพบกับความสําเร็จได้เช่นอยากจะเรียนหมอเนี่ยก็ต้องมีความยินดีอยากชอบเรียนเรียนวิชาหมอต้องมีความยินดีก็ต้องมีความพยายามไปเรียนอยู่เรื่อยๆใจก็จะคิดแต่เรื่องเรียนไม่ไปคิดถึงเรื่องแคร์เรื่องเที่ยวเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆตั้งแต่เรื่องเรียนอย่างเดียวความที่ก็อยากคิดแต่เรื่องเรียนอ่ ไม่ไคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้ิ่งนี้อย่างนี้มันจะทำให้สามารถสอมได้คะแนนดีแล้วเรียนจบได้ต่อไปคุณประพาสีครับเดินจงกรมใส่หูฟังธรรมะด้วยเพื่อไม่ให้ง่วงและเดินได้นานขึ้นอย่างนี้ทำได้ไหมครับถ้าเป็นปการฟังธรรมก็ได้อยู่ฝากคนอื่นใส่บาตรแทนได้บุญไหมครับได้ ถ้าครอบครัวอยู่ไม่มีความสุขแล้วต้องแยกทางกันจะไม่หมดกรรมหรือครับก็อยู่ที่ว่าเราทํากรรมกันไว้หรือเปล่าถ้าไม่มีการกระทากรรมมันก็ไม่มีกรรมที่ต้องไปชดใช้กันแต่ถ้าเราไปทําร้ายกันเขาทําร้ายเราเราทําร้ายเขาเขายังอาฆาตพยาบาทอยู่คราวหน้าเราเจอกันอีกก็ยังจะมีการอาฆาตพยาบาทร้างแคนกันอยู่แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่มีอาการมาฆาตพยาบาทไม่ติดใจ คิดว่าเป็นการเป็นการพบปะกันแล้วเมื่อถึงเวลาต้องแยกกันก็ยากกันไปอย่างนี้ก็จะไม่มีเวณควาติดติดติดกันไปเวลาที่ใส่บาตรเสร็จเรานั่งไหวหรือจะยืนดีครับนก แ, แต่ได้ทั้งนั่งยืนก็ได้นั่งก็ได้คุณมาคาสีครับเหตุใดธรรมชาติจิตจึงต้องนึกคิดตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรพระอาจารย์มักจะสอนใหเราหยุดคิด เราจะได้อะไรจากการหยุดคิดครับเราก็จะได้ความสงบเลยจิดสงบแล้วจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ที่มันคิดก็เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันยิ่มีหน้าที่มีทำเป็นธรรมชาติที่มันจะเนื่อจาคิดอยู่เรื่อยๆโอนเงินตักบาทตามวัดต่างๆทุกเช้าได้บุญไหมครับได้ ก็อย่างที่นายพูดผู้กุมหมอมว่าเช้านี้มีคนโ อ, อนเงินฝากแม่ค้าใส่บาทให้สี่ร้อยคนครับไม่ใช่เจ้าเดียวนะมีหลายเจ้ามีอยู่สามเจ้าด้วยกันในนี้มีสามเจ้าแล้วครับอาจารย์สามสี่เจ้าสามสามเจ้าสามเจ้าสามสี่เจ้ า, า, า, า, จาครับได้ได้ประโยชน์ทั้งแม่ค้าทั้งคนใส่บาทแล้วก็ยังมีได้ถ่ายแจกทานต่อด้วยนะครับพาจารย์ด้วยคนย า, ากจนก็มาร่รับทาน อาหารที่เหนือจากการบินระบาดมันเยอะแ ย, ยะไหมดก็มีชาวบ้านมาร อ, อเข้าคิวก็้าคอยรับอาหารอยู่ทุกวันเจรติจิดของพ่อค้าแม่ค้าก็ดีกันใช่ครับค้าคนหนึ่งนี้ส่งลูกเรียนแพทย์ได้เรียนเอกชนด้วยนะโอโ้โหจาย์อันนี้ซอว์พาวเวอร์ของจริงครคุณสลาวุธครับถ้าอยากจะพ้นทุกข์จะต้องภาวนาใช่ไหมครับถึงจะพ้นทุกข์ได้ครับ ได้ทั้งบำเพ็ญจิตตะภาวนาทั้งสมถะนวิปัฒนาภาวนาถึงยกรรมจัดเหตุที่สร้างความทุกข์ใ้กับใจก็คือกิเลส ต, าาต่างๆได้ขอวิธีระงับความหงุดหงิดและความโกรธได้ครับก็เวลาหงุดหงิดก็ใช้ใช้สตินี่แหละท่องพุโทโธพุทโธไปท่องไปเรื่อยๆอย่างอยูย่ยังความหุญหงิดจะหายไปเหมือนกินยาแก้ปวดนี่ เรา ก, กินไปเรื่อยๆจน ก, กว่าอาการปวดจะหายไปเราก็หยุดกินได้แต่ถ้ายังมีอาการปวดอยู่เราก็กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายทัานใดความหงุดหงิดก็เป็นเมือ น, น, นความเจ็บของ ท, ทางใจซึ่งเกิดจากกิเลสเกิดจากความอยากพออย่างเราไม่ได้พลังใจอย า, าออกก็หมุดเงิดขึ้นมาวิธีแก่ก็คือหยุดความอยากด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปบริการพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวความอยากก็จะหายไปเอง คุณนาดครับเรื่องการใช้ชีวิตทางคู่ทางธรรมชีวิตทางโลกเปความรับผิดชอบมากมายที่ต้องทําบุญคุณบิดามารดายอย่างทั้งละทั้ได้ไม่เต็มที่ทั้งโลกที่ต้องหาเงินใช้เงินเงินไม่พอใช้รุ่มใจเกิดความเครียดความกังวลแต่ใจไม่ได้ต้องการวนเวียนอยู่แบบนี้ใจไม่ได้อยากรวยไม่ได้ต้องการเงินอย่างนี้ไปสู่สงบแต่ยังทําไม่ได้จําเป็นต้องมีชีวิตทางโลกที่ต้องดําเนินขอความกรุณาช่วยชี้แนะการใช้ชีวิตทางโลกและทางธรรม เดินให้คู่ขนานกันอย่างไรได้ครับกรับขอบคุณอาจารย์ครับถ้ายังอยู่ <c oughs> ทางโนกอยู่ก็ให้ทำบุญทำทานตามโอกาสทำบุญกับพ่อแม่ก็เป็นการเป็นการทำบุญได้เหมือนกันยังมีพ่อแม่นี้ก็เป็นการทำบุญทำทานแล้วก็รักษาสีหน้าให้บริสุทธิ์อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปสร้างความทุกข์ให้คู่ครองของเราต้องซื่อสัตว์สดเจ็ดจไม่ประพฤติผิดศีลข้อสามกลาเมแล้วก็ ถ้ามีโอกาสวันไหนก็ไปวัดไปฝึกสมาธิตามโอกาส<ๆ>ก็สามารถทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆก่อนจนกว่าภาระผูกพันต่างๆจะหมดไปแลาสามารถที่จะไปบวชได้ไปปฏิบัติเต็มที่ได้ก็ค่อยไปต่อไปถ้าเราถูกหวยแล้วเอาเงินที่ถูกหวยไปทำบุญได้บุญไหมครับได้ คุณแพตครับเรื่องจิตสุดท้ายมีความสำคัญไหมครับกลัวตอนใกล้ตายจะทรมานจากการเจ็บป่วยแล้วไม่สามารถกำหนดจิตให้นึกถึงความดีที่เคยทำได้จะต้องไปอบายหรือในโลกแทนครับจิตสุดท้ายไม่ใช่เป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปอบายหรือไปสวรรค์ตัวที่จะกำหนดว่าเราจะไปสวรรค์หรือไปอบายนี่มันอยู่ที่บุญหรือบาต ท, ที่เราได้สะสมไว้ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายถ้าบาตมีกาลังมากกว่าบุญบาตก็จะเด่งไปอบาย ถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะหนึ่งไปสวรรค์สว่วนการตายจิตสุดท้ายนี้มันจะทร ม, มานหรือไม่ทร ม, มานก็อยู่ที่การฝึกจิตของเราถ้าเราฝึกจิตให้สงบขณาตายมันก็จะไม่ทร ม, มามนเาเพีงทําจิตให้สงบแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกจิตมาก่อนขณาตายมันก็อาจจะเกิดความเครียดเกิดความพุงสร้างขึ้นมาเกิดความกลัวเกิดความหลงขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเพราะาเราไม่ฝึก มันก็จะตายแบบธรมานตายแบบทรมานไม่ตายแบบไม่ทรมานท่านเองแต่การจะไปเกิดสวรรค์หรือไปอาวานี้มันไม่ได้อยู่ที่จิตสุดท้ายการที่จะถึงนิพพานเราทําได้ไหมครับได้ทุกคนทําได้หมดเป็นแต่ขอให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาให้ได้ครบเต็มร้อยก็แล้วกันทําทานได้เต็มร้อยมีเงินทลายก็สลายไปให้หมดแล้วก็ไปบวชถึงศีลของนัก บ, บวช แล้ก็มาเผ็นจิตตะภาวนาะนั่งสมาธิเงินจงกรมให้จิตสงบพอให้พอมีจิตที่สงบอย่างที่ชํนนานาญแล้วก็มาฝึกทางปัญญาสอนใจให้เห็นทุกข์สมถยนิโรธเห็นสอนทุกเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาใจก็สามารถที่จะกําจัดกิเลสตัณหาตัวที่พาให้ไปเว้นว่าตายเกินได้พอไม่มีติเลสตัณหาลงเหลืออยู่ในใจใจก็ไปสู่นิพพาน ใจก็เป็นนิพานไปคุณสายใจสายชนครับจะมีวิธีดูแลดูคนอย่างไรครับว่าเขาเป็นคนดีครับก็ดูว่าเขาทำบุญทำทานหรือเปล่าเข า, ารักษาศีลหรือเปล่าพื้นฐานเขามีความประตันอยู่หรือเปล่าเป็นคนมีความสํานึกในบุญคุหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าสามารถจะที่จะดูได้เป็นคนที่เสพมาบายอยุ่กหรือเปล่าถ้าเสพมาบายอุกนี่ก็ ก็ต้องระวังนะเพราะว่าการเสพยาอย่างนนี้อาจจะพายก็ต้องไปทำบาปต่อไปได้นั่งสมาธิแล้วมักจะหลับครับจะฝึกใหม่อย่างไรดีครับหนึ่งก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นฝึกสติตทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับสองพยายามลดการบริโภคอาหารหน้อยๆลงคุณว่านครับจับ และฆ่าปลาหมอคางดําเพื่อปกป้องระบบนิเวศของปลาคนกินต้องรับผิดผลกรรมด้วยไหมครับคนกินไม่ได้รับผลเนาะคนทําถึงได้รับผลคนฆ่านะรับผลนอกจากว่าคนกินไป็นสั่งให้คนคนฆาไปทำํำก็ได้รับผลด้วยกันอยากจะเลิกกับแฟนแต่เขาขู่ฆ่าครับต้องทํายังไงให้จากกันได้ด้วยดีครับก็ถามว่าเขาต้องการอะไร ต้องการเงินเท่าไหร่ต้องการอะไรถ้าเราหามาให้เขาได้ก็มันก็จบแต่ถ้าหาไม่น่าก็ต้องอยู่กับเขาต่อไปถ้ากลัวเขาจะฆ่าเราหรืถ้าไม่กลัวให้เขาฆ่าเราก็ยอมตายไหมเขาไปไม่ช้าก็เลยก็ต้องตายอยู่ดีเขาาจะแค่ขู่ไปนั่นเขาาจะไม่กล้าทําจริงๆก็น่าคุณอนันต์ครับ เรื่องพระเกจิดังทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ท่านสร้างพระเครื่องตะกุดวัตถุมงคลต่างๆเพื่อหารายได้มาสร้างโบสถ์วิหารและนําไปทํากุศลต่อไปอยากทราบว่าการทําพระเครื่องสร้างวัตถุมงคลเหล่านี้เป็นความเห็นผิดหรือเป็นความเห็นถูกอย่างไรและเราชาวพุทธควรวางใจต่อเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรครับพระพุทธเจาไม่ทรงสอนให้สร้างวัตวัตถุมงคลต่างๆแต่ทรงสอนให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาเพื่อความสงบความใจ เพราะวัตถุมงคลนี้ไม่สามารถทําให้จิตจางเก้าวหน้าลุ่มเร็วได้คําถามคล้ายกันขอความเห็นเรื่องปลักเครื่องตามความเป็นจริงกันตอบไปแล้วครับอาจารย์ถ้าเครื่องก็เป็นเหมือนสินค้ายอย่างหนึ่งนะเป็นวัตถุแล้ววัตถุมงคลทำอีแนัดตามคำว่ามงคลเข้าไปแล้วกลเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปอันนี้มันก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างใดเลยเพอาะไป <c oughs> วัตถุมงคลเป็นวัตถุไม่ใช่เป็นตัวที่จะสร้างความมงคลตัวที่จะสร้างความมงคลก็คือการกระทําในมงคลสามสิบแปดนั่นนั่นตัวนั่นะเป็นตัวที่สร้างความมงคลให้ถ้าเราซ่อมเรือให้ชาวประมงอย่างนี้เราบาปไหมครับ ไม่บาปหว่าเราเราก็เพียงแต่ซ่อมเหมือนกับ่อมนุ่นจนให้จนไปป้นธนาคารเราไม่รู้จนก็จะไปป้นธนาคารหรือไม่คุณมาค่ะสี่ครับทานที่เราทําควรระลึกถึงอยู่บ่อยๆไหมครับเพราะเราเคยได้ยินว่าคนใกล้ตายญาติมักจะให้ระลึกถึงบุญที่ทํามาครับช่วยทำใหม่ดีกว่าบุญเก่ามันผ่านไปแล้วอย่าไปนึกถึงมันเลยทําบุญใหม่แล้วจะได้สงบุญใหม่ให้พ่ากับคนที่ก็ตายได้ ได้ประโยชน์มากกว่ามีคนถามเรื่องว่าดูจิตต้องดูอย่างไรครับอาจารย์ดูว่าจิตมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสดูว่าจิตทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าจิตทุกข์ก็ต้องหาวิธีดับความทุกข์ให้ได้ถ้าจิตมีกิเลสเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาก็ต้องหาวิธีหยุดความโลภความโกรธความหลงให้ได้เพราะสิ่งอันนี้มันเหมือนเหมือนไฟที่เผาบ้านเราจิตเป็นเหมือนบ้านเวลาที่มีไฟลุกขึ้นมาในบ้านเราทำอะไร เอาต้องได้ผานน้ําดับเพลิ่มดับไฟใช่ไหมครับคือการดูจิตก็ดูว่าตอนนี้จิตเรากําลังเผาตัวเองหรือเปล่าเผาด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือเปล่าถ้าเผาก็เราหานน้ําธรรมะมาดับมันหาทานศีลภาวนามาดับมันคุณหนุ่มน้อยครับพระพุทธรูปกับหลวงพ่อตั้งโต๊ะบูชาโต๊ะเดียวกันได้หรือไม่ครับ ก็แล้วแต่ว่าเราจะยกพระพุทธรูปต้องสูงกว่านะว่าเราถือว่าพระพุทธเจา้านี่เป็นบุคคลที่สูงสุดตั้งโต้ะเดียวกันไดอาจจะตั้งสูงตัำต่างกันอาจจะหาต้นเล็กๆมามาลองพระพุทธรูปเนี่ยเพื่อจะได้แสดงว่าสูงกว่ากับหลวงพอ่อเพราะหลวงพ่อถือว่าเป็นสาวก เ, เป็นพระภิกษุสมสาวกพระพุทธเจา้าเป็นพระบรมศาสดา บวชหน้าไฟให้บุพการีจะได้บุญมากไหมครับแล้วมีความจำเป็นไหมครับถ่าจำไม่ได้เลยบวชเช้าเชียนเมันไม่ันยังไม่ทันได้อะไรเลยก็เสร็จแล้วู่้ทำบุญทำทานที่ได้โคงตายไปดีกว่าได้บุญได้แน่กว่าคุณจักริดครับผมเอาของเก่าเช่นขวดน้ำพลาสติกและอื่นๆที่ไม่ใช้แล้วไปให้คนเก็บของเก่า จะเป็นปาบาปในชาติหน้าได้รับของเก่าๆหรือเปล่าครับไม่หรอกเป็นการทําบุญทําทานเหมือนกันทำไปตามกํากลังของเราเรามีของเก่าก็ให้เขาไปเขาก็ไปไล่เป็นเงินไปซื้ออาหารไปซื้ออะไรได้เนี่ยมันการให้นี้มันไม่จําเป็นว่าจะต้องให้สิ่งนันแล้วจะต้องให้ไล่สิ่งนั้นกลับมาเสมอไปก่อนใสบาตรควรกล่าวคําอะไรก่อนไหมครับ ก็แล้วแต่เราอยากจะกล่าวแล้วก็กล่าวไปไม่กล่าวก็ได้ <c oughs> คุณสมคิดครับถ้าบางครั้งมีความทุกข์อยู่หรือดำเนิชีวิตแบบปกติโดยไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกมีความสุขอิ่มเอิมใจเหมือนเกิดปิติทางที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอาการแบบนี้เรียกอะไรครับอาจจะเป็นเก่าที่แสดงผลก็ได้ คุณแม่เป็นคนที่ตั้งใจจะใส่บาตรมากในตอนเช้าแต่ลูกๆ ก, ล, กลัวแม่จะเครียดเกินไปจะบอกท่านยังไงดีครับไม่ต้อบเครียดตรงไหนการทําบุญมันน่าจะเครียดเลยการทำบุญเป็นสิ่งที่ดีควรจะส่งเสริงควรจะช่วยสนับสนุนเขาเรียกว่าอนุโมทนาบุนไงมันก็น่าจะทําบุญแต่ก็ต้องเร่งช่วยเหลท่านเพื่อท่านจะได้ไม่เครียดเตรียมมาหาให้ท่านเตรียมอะไรเตรียมของต่างๆให้พร้อม พอถึงเวลาได้ก็มาตัดบวชบาดได้เลยไม่ต้องจะไปเพรียดตรงไหนเครียดกันอยู่ตรงที่ลูกลกคอยไปขัดขวางใช่มากกว่านม่ อ, อย่าทําเลยทําเสียดายเงินทำก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ควรทำํำครับคุณมนฑสนันครับเวลาใส่บาดเสร็จเราต้องกรวดน้ําทันทีไหมครับแล้วที่บอกว่าต้องกรวดน้ําก่อนพระอาทิตย์ตกดินใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกคือการกวดน้ํานี่ไม่ คือการอุทิศบุญการอุทิศบุญนี้จะใช้น้ําก็ได้ไปใช้น้ําก็ได้อต่ที่ให้ทําทันทีเพราะว่าเวลาเราทําบุญเสร็จบ่าย่าจิตเรา เ, ราเราจะมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขแล้วก็อุทินความสุขนี้ให้กับผู้ที่โน้มน้าวไปแล้วได้แต่ถ้าเกิดเราไปเราเราเวลาอื่นแล้วเกิดเราไปมีธุระไปทําอะไรก็ทําให้เราเกิดเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความเสียใจขึ้นมาความรู้สึกที่เราได้จากการทําบุญมันหายไปแล้ว ก่อนจะนึกขึ้นมาก็เป็นเหมือนอาหารเก่าไม่ได้เป็นเหมืออาหารใหม่สดๆร้อนๆย่างวิธีที่ดีที่สุดก็คือพอทํามูลเสร็จปั๊บตอนนั้นมูลยเงร้อนเป็นสดๆร้อนๆอยู่ก็อุทิศไปเลยอย่าปล่อยให้มันเย็นปล่อยให้มันเก่าไปโสดมลแล้วตัวโยกคืออาการอะไรครับคืออาการไม่มีสตินถ้ามีสติแล้วก็เหมือนเราคุยกันเนี้ยเวลาเราคุยกันน้ำมีสติตัวเราจะไม่ค่อยโยก เพราเราส่วนมนบางทีเราไม่มีสติอยู่กับการส่วนมันใจเริ่มเคร่งทําท่าจะหลับมันก็เลยโยกไปโยกมาได้คุณสราวุธครับร่างกายเจ็บป่วยทํายังไงใจถึงจะไม่ทุกข์กับร่างกายครับก็ต้องฝึกทําสมาธิฝึกสตินั่งสมาธิเวลาใจเวลาร่างกายป่วยแล้วใจทุกข์ก็เราก็ทําสมาธิพอทําสมาธิใจก็จะหายทุกข์ งานที่ทําอยู่เป็นงานที่กดดันรู้สึกมีความโกรธแต่พอรู้สึกตัวก็รีบระงับอย่างนี้บาปมหมยังไม่ครับถ้ายังไม่ไปพูดไปทำร้ายผู้อื่นมันยังไม่บาปนะมันเป็นอกุศลเป็นตัวทีสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราคุณจุไรรัฐครับคุณพ่อไม่ค่อยสบายอายุท่านมากแล้วนําธรรมะไปให้ฟังท่านพูดว่านํากลับไปฟังเองเถอะพ่อมีพระพุทธคุณอยู่ในใจแล้วไม่รู้จะทําอย่างไรครับ ก็ดีแล้วไงท่านไม่ต้องการก็ไม่ต้องให้ท่านไปเราก็แสดงความเจตนาที่ดีแล้วเมื่อท่านไม่ต้องการก็จบมีลูกหลานที่ดื้อ ม, มากไม่เชื่อฟังอย่างมากจะทำอย่างไรดีครับถ้าสอนไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมของเขาถ้ายังพอสอนได้ก็พยายามสอนไปงานยุ่งมาก เวลานอนแทบไม่พอถ้าจะสวดมนต์ภาวนาไม่มีเลยเราสามารถพุโทโธในขณะที่เรามีสติได้ไหมครับเป็นการปฏิบัติได้ไหมครับได้ถ้าทําที่ดีให้นึกถึงความตายมัางก็ดีแล้วมันจะทําให้เราลดความมุ่งมั่นในการทํางานให้น้อยลงได้จะถามด้วยว่าเราทำไปทําไมตายไปแล้วก็อะไรไปไม่ได้ไมันแต่บานเดียวบางทีถ้ามันมันมัน มันยุ่งกับการทํางานมากเกิไปคนอาจจะเล็งเห็ความตายไว้มากกว่าดิแทนที่จะใช้พุทโธเล็งเห็นความตายเกดิดา ม, า ม, มาแล้วต้องตายเป็ธรรมดาโน้มพ้นความตายไปไม่ได้ขังมนที่ไปไเรื่อยๆสัพพัล้วมันกาจะเออะใจขึ้นมาว่าโอ้ยทําไปแล้วเราตายไปแล้วเราเราจะเอาอะไรไปได้บ้างเอาอะไรไปไม่ได้ การทําบุญกับพ่อแม่คือบุญใหญ่แล้วถูกต้องไหมครับคือพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณมากกับเราพระพุทธเจ้าเปรียบเที่ว่าเป็นเหมนีเป็นเหมือบุญกับพระอาจารคุณวิทรีครับจะทําใจให้รับกับการต้องอยู่คนเดียวอย่างไรครับก็ต้องฝึกสมาธิให้ได้ถ้าฝึกสมาธิ จ, จิตสงบแล้วจิตก็จะมีความสุข ก, กับการอยู่คนเดียวและไม่อยากจะอยู่กับใครต่อไป มีคำถามเรื่องเดินจงกรมสองข้อนะครับใส่รองเท้าเดินจงกรมผิดไหมครับไม่ผิดครอบไม่มีข้อห้ามการเดินจงกรมที่ถูกต้องจะต้องวางจิตอย่างไรหรือจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับให้เดินด้วยการมีสติสตินี้ก็สามารถเลือกได้จะสติแบบไหนเดินไปบริกรรพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้อ เ, เดินไปแล้วดูเท้าก็ได้ดูเท้าซ้ายเท้ า, าขวาไปก็ได้ ซื้อของออนไลน์โดยขาดสติแล้วมาเสียใจภายหลังจะแก้ไขด้วยการปฏิบัติธรรมแบบไหนได้ครับก็ลงโทษตัวเองนะต่อไปนี้อย่าไปซื้อของออนไลน์คุณ Touch Point ครับร่างกายมีทุกขเวทนาเจ็บปวดตามดูแล้วบอกตนปวดก็แค่ตายเฝ้ามองจนความเจ็บหายไปและสติก็หายไปครึ่งชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาถึงได้ทราบว่าความเจ็บไม่มีแล้วเป็นอย่างนี้ถึงสองครั้ง อยากได้วิธีที่ถูกครับวิธีที่ถูกคนยังไม่คนจะหลับคนยังไม่สติแล้วรู้สึงการดับของเวทนาแต่จิตยังไม่สติรู้ตัวอยู่แล้วก็อยู่กับความเจ็บได้ความไม่มีความเจ็บได้อย่างสบายนอกจากการใช้คําบริกรรมว่าพุโทโธเราอาจใช้คําอื่นๆได้ไหมครับได้แล้วแต่เราใช้คําตายก็ได้ตายตายตายตายตาย เกิดมาแล้วต้องตายก็ได้หรือจะใช้อาการสาสองอาการใดอาการหนึ่งก็ได้บางคนก็ใช้อัติอัตินึกถึงกระดูกกระดูกก็ได้แล้วแต่เราชอบเราชอบอย่างไรแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้จะใช้สังโคก็ได้จะใช้ทำโมก็ได้พิธีกรรมทางศาสนาเช่นการจัดงานศพยังจําเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันไหมครับ ด้วยจากการงานศพในทางพระพุทธศาสนานะความจริงนี้จัดง่ายคนตายก็เอาผ้าห่อศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าช้าท่านหนึ่งไม่ต้องนิมนต์พระมาสวดไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนี่คือการจัดการศพสมัยปัจจุบันนี้เราก็มักจะเอางานศพ ม, มาผูกกับการงานบุญนานๆนานๆคนตายแล้วก็มาทมําบุญให้คนตายซะหน่อยก็เลยมีการทําบุญทาทานนิมนต์พระมาสวดอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นพิธีกรร มันจำเป็นหรืไมก็อยู่กับคนที่เขาเป็นเจ้าภาพขอ ง, งาการศพว่าเขาอยากจะทําแบบไห น, นก็เลือกทําได้แต่ป้าหมายของงานอบที่แท้จริงก็คือการจัดร่างกายที่มันตายไปแล้วเพราะถ้าปล่อยให้มันอยู่ไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ต้องเน่าเปื่อยผุพังไปมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ก็ต้ทำกาไปกาจัดด้วยการเผาด้วยการฝังสมัยการนสมัยพุทธกาลเขาก็ห่อผ้าแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้มันเน่าเปื่อยไป คนเป็นโรค OCD ครับทำให้ด่าดทอสิ่งลี้ลับสาบแช่งหยุดคิดไม่ได้มีความทุกข์มากเพราะกลัวมากต้องทำอย่างไรครับต้องใช้สตินะเวลาเกิดอารมณ์โกรธ้นมานก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปคุณสุชิครับปลวกมาขึ้นที่แผ่นไม้ที่ใช้งานทำงานในโกดังถ้าเราเรียกบริษัทกำจัดปลวกมาฉีดยา แบบนี้ระบาบมากไหมครับแต่ตอนนี้ปลวกมาทำลายของที่ไทยที่ทางานเลยคิดไม่ตกครับก็อยู่ที่ว่าเราเรียกเขาแบบไหนถ้าเราสั่งให้เข้ามาก็ผิดแต่ถ้าเขาบอกเขาเราบอกเขาแล้วพาอาศามาโดยที่เราไม่ได้สั่งอย่างนี้ก็ไม่ผิดการถวายน้ําที่ฮิ่งพระได้บุญเหมือนกับการที่เราเอาน้ําใส่บาตรหรือไม่ครับไม่เหมือนนะเอาน้ําใส่บาตรเนี่ยได้บุญเพราะมีผู้รับเอาไปใช้ประโยชน์ได้ นะการใส่น้าให้กับพ ร, พ, รพระพุทธรูปนี้พระพุทธรูปไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็เลยไม่เกิดบุญขึ้นมาคุณเอกกวิทย์ครับทําไมทุกคนก็รู้ว่าเงินทองที่หามาต้องทิ้งไว้ในโลกทั้งหมดแต่ปล่อยวางยากเย็นเหลือเกินครับก็เรื่ความตายไม่เน้ถึงความตายอยู่เรื่อยๆพยายามเน้นถึงความตายอยู่เรื่อยๆถ้าจะให้มันมีน้ำหนักก็ต้องไปดูคนตายจริงๆไปงานศพแล้วขอเปิดฝาลงดูหน่อยดนะ้ย คนคนนี้เคยมีทัพย์สมบัติมากน้อยขนาดตอนนี้เอาอะไรไปได้บ้างหรือเปล่าการไม่เอาความคิดไปยึดจมอยู่กับความทุกข์ใจซ้ําๆอย่างนี้ถือว่าปฏิบัติได้ถูกต้องไหมครับก็ความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ใจเราทุกข์ถ้ามันคิดแล้วทุกข์เราก็ต้องหยุดความคิดนั้นให้ได้คุณปอแก้วครับ จะคิดอย่างไรเมื่อเจอเพื่อนร่วมงานใส่ความป้ายสีบ่อยๆครับก็คิดเข้าว่ามันเหมือนเดินฟ้าอากาศที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอัดทําใจไหวให้เขาทําไปว่าไปแล้วเขาเป็นคนกระทําผลที่เขาก็ต้องเป็นผลที่รับผลนั้นต่อไปเราไม่ได้รับผลเลจากการกระทําของเขาเราไม่ต้องวิตกกังวลแต่อย่างไร คุณพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายรักษาไม่ได้แล้วหมอให้ลูกมาเซ็นชื่อหยุดการรักษาไม่นานพ่อตายไปลูกบาดไหมครับไม่บาดหรอการหยุดการรักษาเนี่ไม่ได้เป็นการไปทําทําร้ายชีวิตเป็นการยุติการการรักษาเท่านั้นเองซึ่งรักษาก็ไม่หายคุณจันทร์พันโนครับผมได้ไปปฏิบัติในที่วิเวกเป็นบ้านหรือในป่าห่างจากบ้านร้างที่เคยมีผู้ผู้คนผูกคอตายเมื่อหกปีก่อน พักปฏิบัติตลอดคืนอยู่คนเดียวตกดึกมีเสียงเหมือนคนเดินอยู่หลายรอบแบบช้าๆเกิดอาการกลัวมากและกลัวหลายๆรอบลืมตาดูไม่มีอะไรคิดถึงพระอาจารย์สองถึงสามครั้งแต่ความกลัวก็เกิดเป็นช่วงๆเสียงเดินมีตลอดเป็นระยะตลอดคืนขนลุกกลัวจนเหนื่อยสุดท้ายนึกถึงคำสอนพระอาจารย์ว่าเต็มที่ก็แค่ตายและสอนใจตัวเองว่าจิงจบนกหนูสัตว์เขายังอยู่ได้ทาไมผีไม่หลอกเขาทาไม ทำไมไม่กลัวเราเป็นคนรักษาศีลแปดไม่อายสักเล็กสักน้อยขอให้ความกลัวเบาวบางลงครับใชนถูกต้องนะคิดด้วยปัญญาทิอย่างนี้ผมก็เคยคิดถึงพวกฝรั่งที่เขามาออกลบในสงครามครับอาจารย์ตกทหารเนี่ยเขาก็ไม่เห็นกลัวไม่เห็นเจอผีกันนะครับไมมีหรอกเข้าถ้าเราไม่รู้ว่าบ้านนั้นมีคนฆ่าตัวตายเราไปอยู่กันก็ไม่เห็นความรู้สึกอะไรใจเราร้อนหลอกเราปูแต่งไปเองนั่นเอ สวดมนต์หรือนั่งสมาธิแบบไหนได้บุญได้ได้ยานมากกว่ากันครับออต้องนั่งสมาธิจิตถึงจะนวมเข้าฌานได้สวดมนต์ยังเข้าฌานไม่ได้เรื่องการใช้ชีวิตทางโลกคู่ทางธรรมชีวิตทางโลกมีความรับผิดชอบมากมายที่ต้องทำอา่านนี้มันอ่านไปแล้วลครับอันนี้น่าสนใุญเจเียงครับ การทำบุญและให้ทานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสร้างความเส่ในการค้าขายของเราถึงบางครั้งมันจะไม่ดีก็ตามบางครั้งอยากสร้างรอยยิ้มให้ทุกๆคนแต่เราเองก็พิการวันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันไม่อยากเป็นภาระในครอบครัวอธิบายครับการทำประมงบาปไหมครับถ้าเราจับปลามาแล้วก็เอาไปฆ่ก็บาป ถ้าจัดมาแล้วไปปล่อยก็ไม่ป่านอนหลับแล้วไม่ค่อยฝันเลยไม่ทราบว่าดีหรือไม่ครับอาจารย์ก็กลางๆไม่ดีไม่ชัว่วแต่ผมมีเพื่อนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยากพูดให้กําลังใจเพื่อนแต่เกรงใจเพื่อนกลัวเพื่อนรับไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความตายผมควรพูดอย่างไรครับก็ไม่ควรพูดนะ เมื u, god, cle, ่อเข้าห uh ้องพระสวดมนต์แล้วทําไมหาวมากๆนะครับก็เป well ็นปฏิกิริยาของจิตเวลาที่มันเจอของที่มันไม่ตื่นเต้นเล่าใจมันก็ไลยง่วงขึ้นมาถ้าไปเข้าไปแล้วไปมีมีภาพประโยชน์ให้ดูมีเพลงให้ฟังมันก็จะไม่ง่วงครับคุณสาร่าครับมีนักเรียนเล่นมือถือตอนหนูกําลังสอนและให้ช่วยเพื่อจะได้เล่นต่อให้เพื่อนช่วย หนูให้รอหลังเลิกเรียนแต่เขากลับตีเจตนาว่าเราไม่ช่วยเพราะไม่สนใจนักเรียนแต่ทำเพื่อโรงเรียนหนูวางไม่ได้สักทีครับไม่ทราบเป็นอะไเป็นปัญหายอยู่ตรงไหนครับการเลี้ยงสัตว์นำมาขายเป็นบาปไหมครับถ้าไปฆ่าก็บาปคุณม็อกฆ่าครับ เพิ่งปฏิบัติธรรมสิบวันกลับมาแล้วก่อนเข้าบ้านมีอาการวูบว่าร้อนๆทั้งกายพอเข้าบ้านเลยนำน้ำมนต์มาอาบทั้งตัวเกิดความรู้สึกเย็นที่บริเวณหัวใจสิ่งนี้คืออะไรครับคืออุปทานความคิดผูกแต่งของจิตเพราะอะไรทำบุญถวายทานพระอาจารย์สุชาติและพระสงฆ์ในศาลาวัดยานจึงสบายใจ แต่ไปบางวัดรู้สึกหนักใจมากเรื่องผลประโยชน์รุนแรงตั้งเงื่อนไขาการถวายปัะตาหารมากมายแบ่งพักแบ่งพวกกันเองในวัดมีครัวใหญ่มีครัวเจ้าอาวาสมีอาหารถวายเจ้าอาวาสคนธรรมดาไม่มีสิทธิทําถวายทําได้แค่เอาธุดีไปให้สิทธิใกล้ชิดสิทธิใกล้ชิดจะทำถวายเองที่สลดใจคือหลวงพ่อเจ้าอาวาสเทศว่าคนป่วยบางคนมาวัดก็กังวลกับโรคธาตุกาเริบจากอาหารแล้วทําไมตัวเจ้าอาวาสเองไม่ฉันของที่ใครๆทําให้เลยในสาราแต่จะมา ที่กุติที่ทางสิทธิใกล้ชิดจัดถวายครับก็มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งคนถ้าเราไปทําบุญที่มีกิเลสมันก็เราจะรู้สึกจะไม่ค่อยสบายใจเมื่อกับไปทําบุญที่ไม่มีกิเลสนี่คุณเล็กครับการปล่อยวางร่างกายเมื่อร่างกายเจ็บปวดกับการรู้สึกตัวตามดูตามรู้ไปเหมือนกันไหมครับคนละเรื่องกัน การรับรู้ก็เป็นเรื่งหนึ่งการปล่อยวางเป็นอีกเรื่องหนึ่งรับรู้แล้วปล่อยวางก็ได้รับรู้แล้วปล่อยวางไม่ได้ก็ได้คือถ้าปล่อยวางไม่ได้ก็เคยอยากจะให้มันหายอย่างนี้เรกวาปล่อยวางไม่ได้เพราะอยากจะให้มันหายมันก็สร้างความทรมานให้กับใจแต่ถ้ารับรู้แล้วปล่อยวางก็จะหายไม่หายก็เช่ามันไปปล่อยมันเป็นปลายทางได้มันอย่างนี้ก็เรียกว่าปล่อยวางรับรู้แต่ปล่อยวาง คุณวจิการครับเวลาไปร่วมงานขาวดําจะเกิดขนลุกหมายถึงเราสัมผัสกับดวงวิญญาณจริงไหมครับไม่รู้ ง, งานขาวดํา ไ, ไม่เคยไปมันประมาณงานศพครับอาจารย์อ๋องานศพมันก็เป็นอุปทานของเรานะครับถ้าลูกป่วยไปทําบุญใส่บาตรไม่ได้พ่อแม่ไปใส่แทนให้ได้ไหมครับได้ถ้าเป็นของของเรานอะเราก็ยังจะได้บุญอ ถ้าเป็นของพ่อมแม่ก็จะไม่ได้บุญคุณอนาคตาครับการฝึกปฏิบัติในแนวสติปฐานสี่จะต้องปฏิบัติกรรมฐานจนฐานยานสิบหกหากเราปฏิบัติไม่ถึงจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้ไหมครับก็เราไม่ทราบว่ายานสิบหนี้หมายถึงอะไรบ้างนะสิ่งที่เราต้องการก็คือเมื่อต้นกันต้องการสมาธิให้จิตสงบให้เข้าฌานให้ได้ แล้วพอเราได้ฌานแล้วขั้นต่อไปแล้วก็มาสรรอนใจทางปัญญาให้ปล่อยวางร่างกายให้ปล่อยวางเวทนาให้ปล่อยวางจิตด้วยการเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็้เป็นญาณสิไม่ได้เาไปลงแต่ต้องเห็นว่ากายเวทนาจิตนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ใส่บาทแต่ขนมยังเดียวได้ไหมครับได้สใส่อะไรก็ได้แม้แต่ข้าวทับพข้าวช้อนเดียวก็ไดต้ตามกำลังของเราไป ค, คุณชาญยุทธครับถ้าพระที่บำเพ็ญฌานจนได้ฤทธิ์อภิญยาแล้วท่านแสดงฤทธิ์อภิญยาให้ญาติโยมดูอามบัตไหมครับถ้าไม่ละมีการอดอุตนี้เกิดเกิดทาที่ได้มีในใจก็ไม่บาป ถ้ามีของไม่จริงก็แสดงได้เวลาหลวงตาสอนพระพระจะนั่งสมาธิฟังถ้านั่งสมาธิฟังเทศแล้วหลับควรทำอย่างไรละแก้ไขอย่างไรครับก็ต้องฝึกสติให้มีสติมากขึ้นแล้วก็ลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงเวลาที่สวดมนต์จำเป็นต้องใส่ชุดขาวชุดสุภาพชุดนอนได้ไหมครับ แล้วแต่ว่าเราอยู่ที่ไหนไงถ้าเราอยู่ที่บ้านเราจะสายชุดไหนก็ได้นับแต่สะดวกแต่ถ้าไปอยู่วัดที่เขามีชุดให้สายก็ต้องสายตามที่เขากำหนดไว้คุณฟิโอนาครับปฏิบัติธรรมมาได้สักพักแบบผู้คองเรือนจนจิตใจสงบได้ในระดับหนึ่งจนจะอยากบวชชีไปตลอดชีวิตเราต้องเคลียร์ทางโลกครอบครัว น, น้สินต่างๆให้เรียบร้อยก่อนไปบวชใช่ไหมครับ ใช่คนยังวม่มีอะไรผูกพันอีกต่อไปจะได้ไม่มีอะไรไปรบควนไปตามรบกวนเราถ้ายังไม่เคลียร์เดี๋ยวว่าอาจจะตามไปเราไปรังควานเราที่วัดได้ชอบฝันถึงคนที่ไม่ชอบตามมาทําร้ายทําอย่างไรถึงจะฝันไม่ไ ม, ไม่ไม่ฝันร้ายแบบนี้อีกครับต้องทําบุญทาความดีทําให้ความเมตตากับผู้ช่วยเหลือผู้อื่นให้ทําให้ผู้อื่นก็มีความสุข และต่อไปแล้วก็จะฝันอย่างย่างดีดีคุณเที่ยวไปเรื่อยครับปอาจารย์มีแนวทางลดความอยากผมคิดว่าลดการเกิดการขัดแย้งรบราคาฟันความขัดแย้งต่างๆในสังคมแม้กระทั่งความฟุ่งเฟือยได้มากๆเลยผมสามารถไปบอกเตือนการันณมิตรได้ไหมครับกับการลดความอยากครับไดนะ้เขาจะเชื่อมัเชื่อกัรอีกเรื่อง เคยซื้อกบจะไปปล่อยแต่มัวขายของเอาไปปล่อยช้ามีบางตัวตายเขาจะอาฆาตเราไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขาเข า, เขาจะอาฆาตเราไก็แล้วแต่เขาคุณกิกส์ครับตั้งใจบริจาคเงินแต่หาผู้รับบริจาคไม่ได้นําเงินไปใช้ตามจุดประสงค์ที่มาของการระดมทุนเช่นเอาไปใช้ส่วนตัวหรือเป็นมิจฉาชีพเงินที่เราทําไปแล้วได้บุญไหมครับ ได้ได้บุญอยู่เป็นแต่ว่าคราต่อไปเราก็ไม่ควรจะทำเพราะเป็นการสนับสนุนให้เขาทำบาปและเขาไม่ได้เอาเงินไปทาประโยชน์ตามที่เราตามที่เขาบอกก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ควรไปทำตามอีกทำซ้ำอีกคาถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง m อ d มดีดีกินยาไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีภายหลังขยันภาวนาโรคซึมเศร้าหายสนิทช่วงหลังมีปัญหาสุขภาพร่างกายเลิกทำงานพยายามภาวนาเต็เมเวลาแต่กลับรู้สึกไม่ก้าวหน้าสับสนวิธีการภาวนาโรคซึมเศร้ากลับมาขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับก็กลับไปทำในคราวที่มันมันได้ผลเลยกลับไปทำวิธีเดียแล้วไปทาวิธีเดียปัญหาก็คืออาจจะเกิดจากความอยาก อยากให้มันดีก้าวหน้าแต่เราไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้ก้าวหน้าที่ถูกต้องก็ทําไงพอทำแล้วไม่ก้าวหน้าเราก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาได้งั้นก็ทํากลับไปทําแบบที่เราเคยทําไปก่อนแล้วก็ไปศึกษาให้ละเอียดต่อไปว่าการที่จะทําให้เราก้าวหน้าต่อไปจะต้องทำอย่างไรเพราะการภาวนามันมีสองระดับระดับสมาธิและระดับปัญญาเราอาจจะอยู่แค่ระดับสมาธิทำเท่าไหร่มนก็ได้แค่ในระดับสมาธิ ถ้าอยากจะก้าวหน้ามากกวันนี้เราก็ต้องขยับขึ้นไปสู่ระดับปัญญาต่อไปถ้าเราไม่รู้วิธีก็ต้องไปศึกษาดูว่าการปฏิบัติด้วยปัญญานี้ต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้คนฟังเยอะมากเลยครับอาจารย์ครับในเฟซมีผู้ฟังอยู่หนึ่งพันสี่สิบเก้าคนนะครับในยูหกร้อยแปดสิบหกในคลับมีเจ็ดในติ๊ t ต k อกแปดร้อยสามสิบรวมผู้ฟังทำด้วยกันวันนี้สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองคนครับอาจารย์ครับ Humans, เกิดจะเป็นนิวไฮนะนะอาจจะเป็นหัวข้อที่ดีเพราะพูดถึงเรื่องความตายนอกจากคนชอบอยู่อันก่อนที่คนดูตั้งห้าแสนก่อนก็เพราะว่าพูดถึงการตายใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ครับถ้าเราต้องตายวันนี้เราจะทํำยังไงนี่ครับมันเป็นหัวข้อนั้นนะคนชอบครับลยทำผมได้ประโยชน์มากเลยครับพอเรารู้ว่าเราต้องตายกันเราเราต้องมาเตรียมตัวตายกันถ้าเรารู้จับวิธีตาย เต็มตัวตาไนดะ้เราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เกิดความตายกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่ว่าคนจะน้อยลงกับมีคนเพิ่มมากขึ้นก็นดีแสดงว่ามีคนสนใจและได้รับประโยชนจากการฟังพอสมควรครับก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอยุติการสนทนาทำไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านรงนามเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติ ให้เกิดความสุขความจเจริญในธรรมนี้ขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทิดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเทาง่านี้ถ้าไม่มีเหตุล้ายขัดข้องก็งคงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในเวลาเมในอาทิตย์หน้าขอจเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์คาย